แล้วก็ขออนุโมทนากับพวกเรานะที่ตั้งใจในการที่ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ากันถ้าเปิดไปหน้าที่เก้านะวันนี้ขึ้นบับพระใหม่ขึ้นในปฏิกูลมนัสิการบับในหน้าที่เก้าดูในพุทธพจน์ในสติปัฏฐานทั้งที่แล้วได้พูดในเรื่องของสัมปชัญญาบับจบลงแล้วใช้เวลาค่อนข้างจะนานหน่อยนะก็วันนี้ขึ้นปฏิทูลมนสิการบับ ในข้อที่ร้อยสามสิบหกตรงนี้ก็ดูตามไปเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งในหน้าที่เก้านี่นะภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการละต่างมีอยู่ในกายนี้คือผมขนและปานหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไต หัวใจตับท้งผืด ม, ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสเลดหนองเลือดเหนือ้อมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดไท้มีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญชาตินานาชนิดคือข้าวสารีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาและข้าวสารบุุษผู้มีในตาดีแก้ไถ้นั่นแล้วก็พึงเห็นได้ว่า นี้ข้าวสาลีนี้ข้าวเปลือกนี้ถั่วเขียวนี้ถั่วเหลืองนี้งานี้ข้าวสารแม้ชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ําตั้งแต่ปลายผมลงไปนีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้าม เกล็ดไตหัวใจตับสังผืดนม้าปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสลต์หนองเลือดเหนือมันข้นน้ำตาเปลียวมันน้ำลายน้ำ ม, มูกไข่ข้อแล้วก็มูดด้วยดังพันธนา m a c h i n e ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างเห็นกายในกายภายนอกบ้างเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างอยู่ อันหนึ่งสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้วันตัญหาแลทิถิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนพิสูจทั้งหลายแม้อย่างนี้พิสูจชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีจบแล้วปฏิกูลมนติการบอกในเนื้อของในเนื้อความในพุทธพจน์มีมีเพียงแค่เนี้ต่อไปไปดูในหน้าห้าสิบสามในภาคของอัจถริยในภาคของอัจฉริยในกัมพี สติปฐ า, านสูตรเนี่ยก็ตรัสไว้โดยย่อฉะนั้นจึงต้องไปดูในคำพีคำคำพีวิสุทธิมรักแล้วก็ไปดูในกายยัคตาสติสูตรนะในกายยัคติกายคตาสติสูตรแล้วกัคัมภีวิสุทธิมรักนั้นเอามาเอามาพิจารณาแล้วเอามาศึกษากันเพราะถ้าหากว่าศึกษาในภาคของสติปฐ า, านสูตรทั้งบาลีและอัตถกถาเนี่ยนะตลอดถึงในชั้นของดีกาเป็นต้นเนี่ย ท่านจะขยายไว้ไม่มากเหตุผลก็คือว่าทําไมจึงขยายไว้ไม่มากเพราะท่านบอกว่าท่านผู้ต้องการศึกษาโดยภาคพิสดารเพื่อเป็นปัจจัยแก่การเจริญกายคตาสติกรรมฐานเนี่ยพึงไปดูในคมภี์วิสุทธิมรรคเกิดหรือเงลนี่นการการศึกษาคําสอนเป็นอย่างนี้นะยอดสมานนะแปลว่าคนที่จะศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยแปลว่าคมภีวิสุทธิมรรคท่านจบมาแล้ว คำพีปฏิสัมทีเอคำพีวิมุตติมร์วิสุทติมร์คัมพีเนี่ยติปรกรณ์เป็นต้นเหล่าเนี้นะท่านเหล่านั้นต้องชำนาญมาค่อนข้างดีฉะนั้นเวลามาศึกษาตรงนี้ก็ขยายได้ใช่ไหมฉะนั้นเวลาอ่านพบเนี่ยเวลาท่านตรัส ต, ตรงไหนนะเพราะว่าในภาคของอัตถกาเนี่นะท่านพระพุทธโฆษ า, าจารย์เนี่ยท่านขยายไว้แล้วในคำภี์วิสุทติมร์ฉะนั้นพอมาถึงในภาค ข, ของสติปัฏฐานสูตรในภาคของอัตถกาท่านขยายสติปัฏฐานสูตรใช่ไหมท่านก็บอกมนุษย์นเนี่ย ไปดูในประการพิเศษที่เกิดขึ้มาเพราะท่านเขียนมาแล้วท่านพัลานามาแล้วใช่ไหมทีนี้เวลาคนมาศึกษาอย่างนี้อย่างเดียวโอ้ไม่มีอะไรเลยนิดเดียวนิดเดียวที่จริงไม่ใช่เพอาะนิดเดียวไม่เข้าใจเดี๋ยนี่ดูในข้อที่สามร้อยสามสิหกในภาพอัตถกตานนะดูตรงนี้ให้จบแล้วไปขยายความมันอีกทีโดยในการศึกษาในสูตรเนี้ยนะเหมาะยังไงรู้ไหมเหมาะมากสาหรับบุคคลที่เ อ, อ่อ ใครที่ราคาจริตเหมาะในการศึกษาสูตรนี้ราคาจริตประเภทที่ชอบของคืสวยงามๆเนี่ยพอมาศึกษาสูตรนี้โอ้โหตอนนี้ยเริ่มเห็นความจริงของสังขารแล้วตอนนี้นะปกติที่เราเรียนกันมานี่นะคือวัตถุประสงค์ของการเจริญของการศึกษากายานุกัสสนานี่นะทํายังไงเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่งามตั้งท่าตั้งหลักไปเลยเพรว่าโดยปกติเนี่ยอัตยาสัยของสัตว์โลกนี่นะ จะเห็นว่าของที่ไม่งามก็จะไปเห็นได้ความเป็นของงามอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นท่านยุงบอกตั้งกายานุปัสนาสติปัฏฐานบอกว่าเพื่อจะละอสุภวพิปราตความที่ไปเห็นค้าเคลื่อนตามความเป็นจริงว่างามในสิ่งที่มันไม่งามทีนี้ลำดับแรกท่านสอนอะไรในบับแรกให้ดูลมหายใจเข้าออกทีนี้บอกพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกเอ๊ะมันก็ยังเห็นว่า ง, งามอยู่ใช่มหมเอา้าดังนั้นคุณมาพิจารณาอียบท เดินก็รู้ชัดว่าบัดนี้เดินอยู่นั่งก็รู้ชัดว่าบัดนี้นั่งยืนก็รู้ชัดว่าบัดนี้ยืนนี้นอนก็รู้ชัดว่านอนอยู่เนี่ยไหมเออไปพิจารณาเอียบบัยืนเดินนั่งนอนนี่ก็ยังเห็นว่ากายนี้งามอยู่เอา้าแต่ย่างงั้นดูสมเปชันย่อแบบสมเปชัญญา่ญญาในฐานะเจ็ดเลยในการก้าวไปถอยกลับคู่เข้าวเหยียดออกใช่ไหมแล้วก็ในการแลทรงแรเหลียวแล้วก็ในการกินดื่มเคี้ยวริ้นอา่าในการทรงผ้าสังขติบาตรจีวรเอา้าในการ กายอุจจาระและปัสวะในการเดินในการยืนในการนั่งในการนอนในการหลับในการตื่นในการพูดในการนิ่งเอ๊ดูในสัมประชัญยะก็ยังเห็นว่ากายงดงามอีกท่านก็เลยบอกเอ้าถ้าอย่างงั้นลักษณะอย่างเธอนี่ต้องปฏิโูลมนุสิการบับแล้วเอาสาตยายสามสิบสองมาเลยเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกใจหัวใจตับทางผืดม้าปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่หัรเก่าดีสเลตหนองเลือดเนื้อมันข้นน้ำตาเปรียวมัน น้ำลายน้ำมูกไข่ merde, ข้อมูดเอามาวิจัยยังเห็นว่า ง, งามอยู่ไหมเอาถ้าเห็นว่างามเอาสีไปดูด้วยความเป็นทาบเลยเดี๋ยวนี้ดูผมด้วยควา ม, วาม ville, เป็นดินน้ำไปลมดูขนด้วยความเป็นดินน้ำไปลมดูเล็บด้วยความเป็นดินน้ำไปลมวิจัยฮะยังเห็นว่า ง, งามอยู่ไหมโอ้แต่เงินสระหาหยาบจัดแล้วท่านั้นเอาป่าช้าทั้งเจ้ามาเลยเดี๋ยวนี้พิจารณาซากศพเลยถ้านนั moist, ้นโอ้ท่ายังดูศพแล้วก็ยังโอ้โหยังละไม่ได้บอกโอ้ไม่ขูควรแล้ว น่นไปเจริญเวทนาเถอะเขาใหญย่าพุทธเจ้านะ่ะตะล่อมบรรลุจนได้ขอให้ไปตามพระวง์ถ้าเชื่อพุทธเจ้าเดินตามจริงๆเนี่ยพุทธเจ้าผลปณิพานหมดสมัยเราไปอุ้มไม่ไหวกเรื่องทอแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะโยมสมานนะี่โอ้โหไม่ไหวแล้วเย่อมแล้วเกินดูอะไรก็ยังไม่ถูกต้องกนะับอัจฉยาศัยก็ทีที่จริงศึกษาไปเนะี่ยแล้วจะเห็นพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเอในภาพของอาจาัจฉริยะนี่ท่านบอกว่า พระพุทธเจ้าขันแสดงจำแนกกายานุปัสสนาด้วยอํานาจแห่งสมปัตัญญาสี่คือศาสตะการสมบัตัญญาส ป, ปายะสมปัติัญญะโคจระสมปัตัญญะแล้วก็อสัมหะ ส, สมบัติระะดังที่พารานามาแล้วเนี่ยบัดนี้เมื่อจะทรงจำแนกกายานุปัสสนาด้วยอํานาจแห่งมณสิการมณสิการในที่นั้นคือโยนิโสมณสิการนะโดยเป็นของปฏิกูลปฏิกูลนี่ปนแปลว่าอะไรเนี่ยปฏิกูลลังเนี่ยคือไม่งามเนี่ยนะ จึงได้ตรัสคําเมียที่ว่ากูณาจะพลังพิกเวเป็นต้นเนี่ยในปฏิกูลมันน่การบับต่างต่อไปว่าบทอธิบายบทว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิสูจย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปกันนะับตั้งแต่ไหนถ้าดูไปข้างบนใช่ไหมก็ต้องแต่ตั้งพื้นเท้าขึ้นไปเลยตามลำดับเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมาไล่อยู่เงนี้ย เอาเอาสติและสัปชัญญาอยู่กับกายนี่แหละแล้วก็มาวิจัยว่าในกายนี้มีอะไรบ้างแล้วท่านก็บอกว่ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบโดยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีอยู่ในกายนี้ว่าในกายเนี้ยไม่ได้มีเพชรนี้จินดาอะไรนะล้วนแต่ของไม่สะอาดทั้งนั้นท่านจะแจกแจงให้ฟังว่ามีในกายนี้มีผมในกายนี้มีขน กายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือปันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเอ็นกายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกกายคือไตไม้ใช่แต่ไตก็เรียกว่ากายเขาเรียกว่ารูปกายเยอะแล้พระพุทธเจ้าไตเนี่ยวันก่อนอันลมาก็ไปที่โรงพยาบาลก็ให้เขาเอกซเรย์เออไม่ใช่ทําอุนดาษาวดูเขาก็โอ๊ยไตเก่าฟอไปหมดแล้วขาวหมดเหล้วแต่ไตที่ใสไปหมดเนี่ยมันนึกพิจารณาดูโอ้เนี่ย เห็นไหมที่จริงอะกรรมมันนะเกี่ยวในเรื่องของที่วิตายเนี่ยที่เป็นในส่วนของกรรมไม่ชรูปเนี่ยหมดกำลังลงแล้วอันเดิยมั้งอันนี้ถือว่าเป็นกุศลที่มามามอุดหนุนเนี่ยเนี่ยนะกุศลที่อุดห น, น, น, นุนอันนี้ก็ไม่รู้จะหมดเมดื่อไหร่วันไม่รื่อเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นอวัยวะทุกชิ้นเนี่ยนะไอ้ที่กุศลและกรรมที่เป็นปันใจจัยในการได้สิ่งเหล่านี้มานะั้นไม่เท่ากั น, นไม่รู้เมื่อไรจะเบิดระเบิดไปก่อนใช่ไหมจ้า บางคนก็ผมบางคนก็ขนบางคนก็เล็บบางคนก็ฟันบางคนก็หนังเนื้อเย็นกระดูกกันละแล้วไปมันเป็นแบบนี้นะกลายเป็นแบบนี้ทีนี้ทั้งผืด ม, ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าก็เรียกว่ากายเยงนี้เลยดีก็เรียกว่ากายเศรษก็เรียกว่ากายหนองเลือดเนือ้อมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อแล้วก็มูดทีนี้ท่านก็บอกว่า คำใดที่จะต้องกล่าวในคําว่าอิมเมวากายังเป็นต้นคํานั้นทั้งหมดได้กล่าวไว้แล้วในกายยะคตาสติกกรรมฐานในคำพีวิสุทธิมรรคโดยพิสดารทุกอย่างเห็นไหมวันนี้เอาวิสุทธิมรรคมาเดี๋ยวขยายฝัเดี๋ยวขยายไ ป, ยยยปนี่การก็บอกว่าไทยนีปากสองข้างรู้จักคําว่าไทยไหมเอาใครใครเคยรู้จักคําว่าไทยไหมเอาไทยเป็นยังไงเดี๋ยวถามคนโบราณ่ใครยุ่งมากกว่าเขาถามเลยอา้าวไทอ่ะเป็นยังไงไทยเนี่ย ถามโยมสมานรู้จักไทยไหมเอ้าไม่รู้รก็ใช่ไทมีปากสองข้างนี่เป็นยังไงเอ๊ะยิงโบ ร, ราณน่า จ, จะรู้เนะี่ยไทนี่เป็นภาษาโบราณภาษาโบราณรู้จักเปล่าเป็นไงเออจะเป็นลักษณะนั้นแจละจะมีสองข้างนะไทยมีปากสองข้างไม่ปากของเขามีสองข้างเลยเนี่ยมัดข้างล่างข้างบนได้ข้างล่างก็มัดได้ข้างบนก็มัดได้สมัยก่อนก็จะไว้ใส่นี่ไงใส่พวกข้าวเปลือข้าวสาลีถั่วเขียวงาข้าวสาร ใช่ไ่มไทเนี่ยจะเป็นงไงทีนี้ท่านก็อุปมากายของเราเนี่ยเหมือนไทข้างบนก็มีใช่ไหมถาวรปากข้างบนก็มือวาวรอ่ะเหมือนมีปากสองข้างใช่ไหมนี่กระด้างกายเลยใช่ไหมไทที่ใส่อาหารเข้าไปเนี่ยหมายถึงไอ้ปากของมนุษย์นี่นะยังไงหมายเอาอะไรใส่ใส่ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดข้าบนข้างล่างมันเหมือนกันนั่นแหละมีปากสองข้างอย่างนั้นแหละโอ้พูดไปแล้วนี่กายนี่ไม่น่าดูเลยแล้วเราเรา เราไปสร้างกรรมอะไรมากันแล้วถึงมาปรารถนาแบบเนี้เนี่ยปรารถนากายแบบเนี้ยฉะนั้นในในนี้ท่านอุปมาบอกว่าไถ่ที่มีปากสองข้างนี่นะเต็มไปด้วยทันชาตินานาชนิดก็หมายความว่าถุงนี่ยแหละที่ปิดปากปิดข้างบนข้างล่างในนั้นก็มีอะไรมีข้าวสาลีข้าวเปือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษผู้มีตาดีแก้ไถ่นั้นแล้วก็เห็นได้ว่า นี่ข้าวสาลีนี่ข้าวเปลือกนี่ถั่วเขียวนี่ถั่วเหลืองนี่งานี่ข้าวสารแม้ชั้นใดพิกษุก็ฉะนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นกายนี่แหละเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปเบื้องต่ําตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่ดยโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเห็นไหมคือว่าถ้ามีไทยเนี่ยที่ว่าเปิดถุงออกมาแล้วมาดูเนี่ยอันในนั้นก็มีข้าวเปลือกข้าวสาลีงาถั่วเขียวใช่ไหม ทีนี้ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพระเจ้าก็ยกเอาไถนะ่เนี่ยเป็นข้ออกกุปมาว่าเอาถ้าจะพิจารณาเบื้องบนก็ตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปเบื้องต่ําตั้งแต่ผมลงไปเนี่ยนะมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบแล้วก็เต็มไปได้วยของไม่สะอาดมีอะไรบ้างกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเอ็นกายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกเป็นต้นเป็นไปตามลําดับ ก็ท่านให้ใครควรพิจารณาไปอย่างเนี้ยเห็นหรือยังเดี๋ยนี้ท่านให้พิจารณาอย่างเนี้ยคือพิจารณาจนเห็นจนกายทุกชิ้นน่ะเอาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยี่ยนในกระดูกเป็นต้นเหล่านี้นะทุกชิ้นน่ะทั้งสามสิบสองเนี่ยนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยี้ยนในกระดูกไตหัวใจตับทังผืดน ม, ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแล้วก็ดีเสลดหนองเลือดเนื้อมันข้น น้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อแล้วก็มูดมุษตังเนี่ยคือน้ำปัสสาวะเนี่ยนะให้พิจารณาทุกส่วนจนไม่เป็นที่ตั้งของตัณหามาหนะ้าละทิเดีเอามาไข่ควรไอ้ตรงไหนที่เอาเป็นที่ตั้งของตัณหาก็ไข่ควรมากๆแล้วมาวิจัยดูจริงๆดีว่ามันมันงามจริงไหมก็ให้ไข่ควรพิจารณาอย่างนั้นท่านบอกเมื่อพิจารณาอย่างนั้นก็จะเห็นเห็นเห็นโดยความเป็นของไม่สะอาดบทว่า อุปัโตมุขขาไท่ประกอบไปด้วยปากสองข้างเลยทั้งข้า ง, งล่างและข้างบนบทว่านาน า, นาวิหิตสะมีอย่างต่างๆก็ในเรื่องนี้อุปมาเป็นของเทียบเขียงกันบอกว่าก็คือมหมาพุทธโลอ่ีก็เหมือนกับไท่เนี่ยมีปากสองข้างอาการสามสิบสองมีผมเป็นต้นก็เหมือนกับทันทัญชาตินนะที่เทปนกันไว้ในไท่พโยคาวจรก็เหมือนกับบุรุษตาดีอ่ะอาการสามสิบสองแจ่มชัด ก็คือผมขนเป็นต้นพระโยคีหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยนะนั้นเวลาที่ธรญมชาตินาชาชนิดปรากฏแกบุรุษนั้นผู้แก้ท่นั้นแล้วตรวจดูฉันตรวจดูอยู่ฉะนั้นตรงนั้นก็ไม่มีอะไรในรายละเอียดเนี่ยในปฏิกูลมรริการบับเนี่ยก็ก็มีแค่เนี้ยนะโดยย่อทีนี้ถ้าเราศึกษาเพียงแค่เนี้ยไม่ได้ไม่ได้สารละเพปิดในนี้วันนี้มันมีอยู่สองเล่มเอาให้ดูว่าให้เปิดดูเล่มนี <offenses. S 1> ้เด <pay> <ONEY> <enn> ี๋ยวจะใช้เล่มเนี้ยอธิบายแล้วก็ มันนพี้งแค่นี้ถ่ายมาไม่ทันโดยเออเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเมื่อเช้านี่าานหาคนไปถ่ายเอกสารให้ไม่ได้อ่าเอาไว้ถ่ายแล้วก็แจกกันวันต่อไปก็แล้วกันพอดีมีมากสองเล่ม <c oughs> คือจะยกมาในกายสตะกายคตาสตินะสูตรเนี่ยดูหน้าแรกก่อนว่าคือในกายคตาสติสูตรเนี่ยนะในสูตรเนี่ยเป็นและก็นในจตุธาตุวัฏฐานจะจะต่อกันนะ เคือพอเนี่ยวนี้เหมือนกันในบับเนี่ยพอเราศึกษาปฏิปูลมรณาสิการบับก็จะต่อด้วยทาตุมรณสิการบับคือพิจารณาโดยความเป็นองคปฏิกูลแล้วก็เปพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยด้วยความเป็นธาตุคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเนี่ยนะท่านก็จะแต่คนระบับผ้ากันนะคนละหมวดแต่หมวดที่เรากําลังจะศึกษานี่ก็คือหมวดในกายคตาสตินี่นะก็คือการพิจรารณาในการสามจุดสองตรงนี้ก็ดูดูจาก น แ, ก, แกกๆ่อนในหน้าแรกๆนี่ก็เป็นการย้อนเนนะย้อนในการศึกษาในสติปัฏฐานสูตรคือการเจริญกรรมาฐานนั้นเป็นกิจของของพุทธศาสนิกชนผู้ดำรงอยู่แล้วในสีนันดีพูดถึงแล้วซึ่งพระัธนตรัยอย่างเป็นที่พึ่งก็เป็นเครื่องกาจัดัยได้จริงยนะฉะนั้นผู้ปฏิบัติตามศา ส, สนธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องเจริญตามรอยอย่างเยี่ยงอย่างของพระอริยะเจ้าทั้งหลาย ดังการอบรมตนจะทําให้บริบูรณ์ในตรสิกขากา่าคือสินสมาธิปัญญาเนี่ยฉันั้นการเจริญสติปัฏฐานอานิสงค์ของการเจริญสติปัฏฐานที่ท่านตรัสพระกไว้กว่ า, วาถึงความบริสุทธิ์หมดจอดจากสภาพกิเลสคือจากราคะโทสะโมหะเป็นต้นเลยนะก้าวร่วงจากความโศกและความร่ําไรลําพันธ์นี้เป็นอานิสงค์ใช่ไหมเวลาพระเจ้าจาะแสดงสติปัฏฐานพระเจ้าบอกอานิสงค์ก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยเขามี ช่วงเทศกาลการเชิญชวนการท่องเที่ยวประเทศไทยใช่ไหมเพราะก็จะเอาหาดต่างๆเช่นพัทยาบ้างอะไรต่างๆก็โฆษณาเต็มไปหมดแ่ะอย่างถ้าอยุธยาก็บอกมรดกโลกก็มาดูพวกของเก่าของแรงจังแต่คนอยุธยาไม่ก็ไปดูไปดูที่อื่นคนที่อื่นก็มาดูก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนคนอยู่ในทะเลเนี่ยไปถามว่าดูดิโอ้ยโคตรเบื่อเลยก็แบบเนี้ยเบื่อมากนี่ส่วนคนที่ก็ไปเที่ยวทะเลกันเนี่ยโอ้ยก็สบายมีความสุขว่างั้นเนะ อาจรมาก็ถามบอกว่าโอ้โหสวยจริงๆก็มาเล่าให้พระฟังพ้าก็าาาาบอกว่าเอาไหมให้อยู่ที่นั่นเอาไม่ข้ามเกล็ไม่เอาแล้วไปอยู่จะไปดีได้ไงไม่ดีเชื้อพักเชื้คู่ใช่ไหมน่ะเขา้าน่ะเขา้เขาไอ้ลมตี่พัดน้ําเค็มจาสะเลมาถูกตัวเหนียวเนอะนะผมก็เหนียวลองไปดูเลยลองไปทาท่าลำดาผมวันก่อนพรข้ามาจากอเมริกาเวนสิตอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกัน เขาบอกว่าท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าฝรั่งเนี่ยท่านอาจารก็งี้ท่านไปอยู่มาหลายปีเวลามองใกล้ๆดูยังไงก็ไม่งามว่างี้ท่านก็ว่าฟังผิวก็เป็นผิวที่เป็นกรดงั้นเนียแล้วเขาําเรามากเขาถามว่าเออที่อยู่อาบน้ำเวลาดีครั้งอาบน้ำเวละครั้งบันสองครั้งเขาําเลยก็ของเขาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเขาอาบน้ําทีครั้งเดียวเนีทีสองครั้งเป็นปกติของเขาเป็นแบบนี้ ทีนี้ที่เขาไม่อาบน้ําใช่ไหมผิวของเขามันก็มัน ก, มนก็มันจะมาตกกะับไอผมของพอเด็กอายุมาสิบห้าสิบหกเนี่ยผมก็จะเริ่มแตกปลายปเป็นเกล็ดหมดแหละแล้วผิวก็หยาบที่ดูใกล้ๆเนี่ยหาความงามไม่เจอแต่ถ้าบอกบางคนไปดูในภาพยนตร์โอ้ดูไงก็งามมาเลยบอกว่าโอ้จริงๆไม่ว่าจะผิวไทยหรือผิวแขกผิวฝลังกายนี่มันไม่งามเนี่ไปดูได้ไงว่า ง, งามใช่ไหม กายคือผมเนี่ยกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังเนี่ยลองมาดูให้ละเอียดจริงๆมันงามที่ไหนต้องข้างในมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการแล้วต่างๆเวลามันถ่ายของต่างๆออกมาก็ลองดูที่มันงามที่ไหนถ้าเราต้องการอยากจะดูงามหรือไม่งามต้องดูผลของมันที่มันถ่ายออกมาต้องถ่ายออกมาก็ลองมาดูที่เอาเหงื่อมาดูเอาไหมเอาน้ำมูกมาดูเอาเสเลดมาดูเอาน้ำลายมาดูใช่ไหม เอาที่หูมาดูเอาในจมูกเอาน้ำมูกออกมาดูสิเอาน้ำปัสสาวะมาดูเอาอุจจาระออกมาดูใช่ไหมนั่นผลของเขาถ้า ง, งามจริงผลนี่จะต้องออกมาเป็นเพชรนิลจินดาสิอันนี้มนไม่ใช่อ่ ะ, ะก็เลยบอกมันไม่งามใช่ไหมแต่ขนาดไม่งามเนี่ยเราก็หลอกคนไม่มีปัญญาได้เยอะนะมีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะสมเด็จพระอาจารย์โตแต่ตอนนั้นรัชกาลที่สี่ศึกเรามาเนี่ยก็ก็มีสนมสนมเอกก็พาสนมเอกไปป่๊ไปกราบ คือปกติจะหยอบร้อกับสมเด็จพระอาจารย์โตได้ใช่ไหมแล้วเข้ไปกับขัวโตเป็นยังไงสนมของเรางามไหมสมเด็จพระอาจารย์โตแกจท่านเป็นคนที่พูดตรงๆท่านบอกอ๋องงามงามเหมือนราชเชลศโอ้โหทับไงทองเลยคาว่างามเหมือนราชเชลศนี่คืออะไรรู้ไหมเป็นพุทธพจน์เนี่ยพุทธพจน์บอกว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้นะอันงามตาดุาดราชเชลศ ที่คนโง่บกอยู่ที่คนเขาหมกอยู่คนโง่คนไม่ฉลาดเนี่ยคนพานท่านนั้นหมกอยู่แต่ท่านผู้รู้หรือบัณฑิตเนี่ยไม่ติดข้องแล้ว <c oughs> โอ้โหลราชการที่สี่งเงียบเลยเพราะท่านบวชมาตั้งยีงยย่สิบกว่าปีเขาจะให้ไมพอได้ยินบอกอ๋อ ง, งามเหมือนการงามเหมือนราชชนลดอ๋อนี่พุทธพจน์นี่เรียบร้อยแล้วเงียบเลยไม่กล้าพูดแล้วพระต้องการอย่าบอกทําไมเอาไปเอาของไม่สะอาดมาอวดท่านเราใช่ไหม ถ้าดูในความเป็นของปฏิกรูงามที่ไหนใช่ไหมโยมสมั ย, มยทําไมมาอวดคะของไม่งามบพระพาท่านวิจัยตลอดเวลาเป็นพิจารณาเงียบเลยเดียเด๋ยนี้ราชรถรอสีท่านก็เงียบบโอ้โหแต่ถ้าพระพระอง อ, อื่นพูดคํานี้ไม่ได้นะ่นแะแย่ใช่ไหมบอกงามงามเหมือนราชรถฉะนั้นในการที่ท่านถึงบอกอนิสงฆนะ์ไงคือเวลาพระพุทธเจ้าจะเชิญชวนให้สัตว์โลกทั้งหลายเนะ่ะได้เห็นอนิสงฆ์ของการออกจากทุกข เห็นอานิสงของพระนิพพานินอานิสง์การออกจากการมทั้งหลายเนี่ยพระองค์ก็ตั้งอานิส ง, องเอาไว้บอกว่าเนี่ยเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งหลายนะนี่ข้อแรกประการต่อมาคือพราะก้าร่วงความโศกความโศกแล้วก็ความร่ำไรลํำพันธ์แล้วก็ถึงความดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสทุกข์คือความทุกข์กายนะโทมนัสคือความทุกข์ใจนะแล้วก็ได้บรรลุอริยมรรคบรรลุเยยธรรมนะ อ, อริยมรรค แล้วก็นิพพานศาสตร์ฉิตรกิริยาญาณเพื่อกระทำพระนิพพานในแจ้งอันเนี้จะให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยประการอย่างนี้ก็บอกอั น, นิี้สงเลยเหมือนเนือผ้าเนืเวลาเขาจะมาขายผ้าเนี่ยเขาก็พรานาว่าผ้านี้มาจากกวนกาสีนะเนื้ออย่างดีเอาไปใส่แล้วนี่สวยงามเป็นต้นคนก็อยากจะไปดูใช่ไหมอยากจะไปซื้อไม่มีเงินก็อยากจะไปดูนะขอชมหน่อยเอะนี่กรมือนกัน คนที่ไม่ได้บําเพ็ญบา ร, รมีมาแสนกับหรือไม่ได้บําเพ็ญมาบา ร, รมีมาพันกับหมื่นกับใดๆก็แล้วแต่ใช่ไหมพอมาถึงพรบเนี่ยก็ยังไงบา ร, รมีไม่ถึงขอชื่นชมหน่อยก็อย่างเราถ้าเราท่านทั้งหลายบารมีอาจจะไม่ได้บรรลุในปัจจุบันนพบก็ได้แต่ว่าขอชื่นชมหน่อยคือเขอ้า ม, มาศึกษาน่อยศึกษาเพ่อเป็นอัธยาศายสักวันหนึ่งเก็บเงินเก็บทองได้แล้วเราจะจะซื้อผ้าเมื่อดีได้อันนี้เหมือนกันเราก็มาศึกษาใช่ไหมยังสมัย ศึกษาสติปัฏฐานก็ากายานุปัสสนาเป็นยังไงเวทนานุปัสสนาจิตตาและธรรมานุปัสสนาเป็นยังไงศึกษาเก็บเก็บอริยทรัพย์ไว้แล้วก็พยายามพอกพูนเข้าไว้ในสุดจริงๆจักบรรลุได้แล้วคนที่เขาบรรลุเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างนะใจเขาเบาขนาดไหนยกตัวอย่างเนะ่ยอย่างเช่นถ้าท่านปิพริมานบเนี่ยกนางพัทธกาบิราณีเนี่ยท่านบำเพ็ญบา ร, รมีมาแสงกลับนะกลุ่มพวกนี้นะบำเพ็ญบา ร, รมีมาอย่าง เทิร์อเอกอูและสุดยอดแล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใจที่จะน้อมไปในการมาคุณไม่มีเลยยอมอยูย่ไม่ไม่มี้เลยเพราะนี่เป็นลูกคนเดียวของพ่อและแม่ใช่ไหมท่านปิพภริมานพเนี่ยพ่อแม่ก็เขี้ยวเข็มทุกวันโตขึ้นแต่งงานเถอะลูกแต่งงานเถอะลูกมีทรับแปดสิบโกรดเนี่ยโกรดหนึงสิบล้านหนึ่งถ้าแปดสิบโกรดก็แปลว่าแปดสิบล้านแปเท่าไรเนี่ยแปดร้อยล้านที่บอกว่าเงินแปดร้อยล้านเนี่ยสมัยนูมากใช่ไหมเอ๊ เข้ากลัวอะไรร right? right. ู้ไหมเย่ถ้าหากว่าลูกไม่แต่งงานตะคุณเราก็แย่ไน้ำตะกุลมันก็หมดก็เหมือนพวกเราคิดกันเนี่ยยามน้อคิดลงไหมเย่กลัวน้ำตะกุลมันจะหมดจะมายึดเนี่ยแต่เราเคยใช้น้ำตะกุลมาเยอะแล้วถ้าไปเกิดเป็นเปรตแล้วก็มีน้ำตะกุลเป็นเปรตไหมมีโคตรเป็นเปรตเนี่ยใช่ไหมถ้าไปเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นโลกเป็นอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมไม่ต้องกลัวหรอกว่าตะกุลมันจะสูญเราคิดแค่ตรงเนี้ยยกยอดไปเลยใช่ไหม เพราะเคยใช้น้ำสกุลมาเยอะแยะแล้วนี่เหมือนกันคือคนคิดแบบคนมีไม่ไม่ไ ม, มีบุญก็ยังห่วงกลัวว่าตระกูลจะหมดแต่ท่านถ้ามากระสอบท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านอัยาสายท่านมาโอ้แต่ก็เก่งยายพ่อแม่เอ๊ะทำยังไงไปไปมาท่านก็บอกว่าเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านก็ให้ช่างฝีมือดีมาเนี่ยเอาทองคำมาเอ า, เอามาเป็นหลายพันช่างก็มาแก่ ลูกฉลาก็พัลานานึกเหรอเอางามสุดๆก็แล้วกันให้แก่เป็นรูปหญิงงามที่สุดใช้ทองคํานี่นะก็แก่เป็นรูปหญิงงามที่สุดก็ผมด้วยผ้าแดงแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าเนี่ยถ้าได้หญิงงามอย่างเงี้ยจะยอมแต่งด้วยเอ๊ะพ่อแม่นั้นเป็นคนมีมคนเป็นคนฉลาดก็คิดว่าลูกเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาคนแบบนี้คนมีบุญเป็นไปไม่ได้ยเลยคนมีบุญกระดับลูกเราเนี่ยที่จะสร้างเวลามีหรือสั่งสมจัะไม่เคยร่วมสร้างกับใครมาเลยเนี่ย ฉะนั้นคนสวยระดับนี้จะต้องมีเป็นแน่แท้ตั้งพามขึ้นมาแปดคนบอกเอา้าใช้ไอ้ทองที่แกสลักเป็นรูปหญิงงามเนี่ยใส่เกวียนมันทุกไปแล้วก็ไปในเมืองต่างๆมาไปดูที่ใครงามอย่างนี้แล้วก็ใช้อันนี้เป็นเป็นสินสอดเลยแล้วก็ขอแต่ต้องดูด้วยตระกูลเทียบเท่ากันด้วยนะทามแปดคนเรไปแล้วไปในเมืองของนางนี่าบอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยยังยังเหมือนประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่า มันจะต้องมีอยู่จังหวัดจังหวัดหนึ่งที่คนผิวผิวงามต้อเป็นกันจริงๆนะในประเทศไทยยังมีนะถ้าเราพูดกันอย่างไม่ต้องเจริญกายยัตาสตรีนี่เนอะบางถ้าแถวเหนือเหนือขึ้นไปเนะี่ยเออผิวเขาดียังงถ้าใครเคยไปเที่ยวเนะี่ยต้องยอมรับเออคนผิวเขาดีผิวเหลืองๆอะไรเงี้ยเนี่ยนเะ ข, ขาก็มีอย่างนั้นนี่ก็ไปก็ไ ป, ไปเจอเจอหญิงยางงามงามก็คนมีบุญ่นนะ นีเพิ่งไปแล้วก็มีมีคนใช้ที่พานางพัฒนาปรียานีมาอานบน้ำเสร็เสร็จก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปในประสาทเนี่ยคนใช้ก็ไม่รู้ว่านางขึ้นไปแล้วก็ไปเห็นไอ้เนี่ยตักทามแปดคนแนวทองคำไปไปยืนตั้งไว้แล้วก็ใช้ผ้าผ้าแดงๆห่มอยู่นางก็เข้าใจว่าเป็นเป็นเจ้านางคนเองเดินมาก็มาใช้มือตบเนี่ยตี บอกว่าเอ้ยบอกให้ขึ้นไปในบ้านไม่ขึ้นส้กทีอะเหมือนจะเตะงั้นเน่ยพอตีเข้าไปสัมผัสเป็นแข็งใช่ไหมเอ้ยนี่ไม่ใช่ว่าไงนี่พรามคอจ้องดูอยู่เขาก็บอกอเออก็เลยบอกว่าเจ้านายของเธอเนี่ยงามเหมือนทองคํานี้จริงไหมเนี่ยเขาก็เลยคุยทำธรรมดาแขกก็ขี้โมโ้ยเรื่องนี้แต่จริงไม่ใด้ขี้โมโ้ในเรื่องก็คือเขาพูดจริงๆบอกว่าอุย้ยสู้สู้เจ้านายของเขาไปเจ้าไม่ได้หรอก เจา้านายเขาไปเจ้างามกว่า้องํานี่ร้อยเท่าเลยพันเท่าแล้วงามขนาดไหนรู้ไหมขนาดอยู่ในที่มืดเนี่ยระยะทา ง, ทางสิบสองศอกเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟเลยแสงสว่างออกจากกายเอาเคือเห็นคนงามขนาดนี้เอาเราลองทดลองโดูนะเราทอาไปเราปิดไปในห้องมันมีแสงออกมาบ้างไม่ได้ตัวเรามีบ้างมั้นี่สิบสองศอกนะ แต่ถ้าเป็นเทวดานี่เป็นเรื่องปกตินะเทวดานี่เขาไกลแสงก็ออกเป็นเป็นเป็นโยอดก็มีเป็นกิโลกิโลก็มีอันนี้เป็นเรื่องปกตินั้นแสงที่ออกจากกายเนี่ยเป็นบ่งบอกของความเป็นผู้มีบุญเนี่ยเขาทาบุญมาเดี๋ยวยอมถามอีวะทําบุญยังไงมีแสงสว่างขอสักชาติอ <c oughs> ขอสักชาติไม่ต้องใช้ไฟเลยของเรานี่ยบางทีพอปิดไฟลรามองไม่เห็นเลยว่าไหนคนไหนก็ความหมื่นกลมกลืนกันหมด มองเห็นเห็นอย่างเดียวเห็นลูกตาลืมตามาอ้อคนคนช่วยเห็นอันนี้คือคนมีบุญทีนี้ที่ที่น่าแปลกที่สุดก็คือว่าทั้งจิตผลิมานอบทั้งพัทธกาวิราณีเนี่ยใจไม่น้อมในเรื่องการมีคู่พอเขามีการสู่ขอเลยเสร็จเสร็จก็เขียนจุดหมายเห็นไหมน้อมไปโอ้ให้ไปแต่งจิตใจไม่ได้น้อมในเรื่องตนี้เลยแต่ในที่สุดเนี่ยนะก็ก็แต่งที่พอแต่งกันเนี่ย นานมีความรู้สึงไงรู้ไหมบอกว่าเออทั้งคู่เนี่ยบอกว่าในขณะที่อยู่ด้วยกันหนึ่งไม่มองหน้ากันคือจะไม่มองหน้ากันนานเนี่ยถ้ามองนานนานแล้วเดี๋ยวจะเป็นปัจจัยให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นปจัจจัยเกิดราคะนี่เราอยู่ด้วยกันในในที่นอนเดียวกันนี่นะก็ใช้ดอกไม้วางกันคนละคนละชอบแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าถ้าราค้าเกิดกับท่านผู้ใดให้ดอกไม้ของท่านบุญนั้นเหี่ยวจะไม่อยู่ด้วยกันตั้งนานเนี่ยดอกไม้ไม่เหี่ยว อนี่เป็นความมหัศจรรย์มากใช่ไหมถ้ายอมสมาธินี่เหว่แต่วันแรกแล้วเอดอกมาเหวียวลาใช่ไหมนี่คนมีบุญแท้ๆนะเป็นแบบนี้แล้วที่แปลกอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเวลาเวลาท่านสิบปริมา น, นับ อ, ออกไปที่นาท่านมีที่เยอะเหมือนคุณยองอยูปันดาวงมันมีที่นี่พอออกไปพวกเนี่ย ก็ไปเห็นนกมันมาจิกกินพวกไส้เดือนบ้างพวกไอสัตว์พวกกบพวกเขียดท่านตกใจนะท่านก็ถามถามไอคนที่เช่านาเช่าที่ถามเออเนี่ยเวลานกหรือสัตว์ใหญ่มันมากินสัตว์เล็กในที่ที่ท่าน ทำนาบาปมันจะตกกับใครทำงั้นแต่คนเช่านาคนที่ทํานาทําไรของท่านเน่ยบอกว่าเอาบาปก็ต้องตกกับเจ้าของที่นีท่านฟังแค่นี้ท่านสะดุมท่านเอ๊ะประโยชน์อะไรที่เราจะต้องมาครองทรัพย์สินอะไรทั้งเยอะแยะแล้วเป็นปัจจัยทําให้เราต้องได้รับบาปแบบนี้ด้วยถ้าอย่างเราก็เสียงคอเป็นเอ็นใช่ไหมโยมสมานก็เราเรียนมามันไม่ใช่นี่สมมติที่บ้านเนี่ยที่หน้าบ้านอยองโมสมานเนี่ยนกกามันมาจิกเขียดจิกกบจิกไสเดือนเดือนกินกือกิ น, กนเนี่บาปจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับ บาปไม่ต้องเป็นของนกเป็นของกาเป็นของอะไรไปเพราะเราไม่ได้มีจิตที่จะให้เขามาจิตมากินหรือมาฆ่ากันในที่ตรงนั้นที่คิดแบบนี้อย่าแปลกใจนะ อย่างนี้บงบอกกาบุญน้อยบรารมีไม่เต็มคิดได้แค่นี้ถ้าคนบรารมีเต็มก็คิดเบากว่านั้นเขาคิดเบากว่านั้นเพราะอัตยาศัยที่จะน้อมสลัดออกคือจะทิ้งอ่ะถ้าวันใดวันหนึ่งนะเราสั่งสมอัธยาศัยสั่งสมบรารมีไปจนถึงเต็มนะความคิดเราก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้ายังคิดไม่ได้อย่างนี้ให้รู้ตัวแต่ว่าเต็มหรือไม่เต็ ม, มยังไม่เต็มนั้นจะไปแปลกใจเขาคิดได้ยังไงเพราะใจเขาเบามากก็เหมือนกับพโพวิสัตว์นะนะที่เราไปเห็นเสือโดดจับกวาง โดดกัดกวางท่านก็มีความรู้สึกกรุณากวางแล้วก็นึกไม่พอใจเสือใช ห, หรือในขณะที่ในขณะที่เห็นกวางเห็นสัตว์อะไรต่างๆมันมันอยู่กันสนุกสนานกินหญ้าและเลี้หยอกล้อ ก, กันใจท่านก็เพลินท่านเพลินแั๊เดียวแล้วท่านมากําหนดเลยหรืเปล่าเอี้ยงี้ไม่ได้เนี่ยกา ม, มาฉันท่เกิดขึ้นแล้วไปยินดีเนี่ยไอ้ที่ว่าไม่พอใจที่เสือไปกัดกวางอันนี้พยาบาทนี่แม้แต่นิดเดียวใช่ไหม ฉะนั้นถ้าหากว่ามีสัตว์ใหญ่มากินสัตว์เล็กในที่ของเราเนี่ยมันจะเกิดความสงสารสัตว์เล็กแล้วไม่ไม่พอ ไ, ไ, ไม่พอใจสัตว์ใหญ่เป็นเหตุให้ใจเราเป็นบาปจริงไหมเห็นไหมท่านยิ่งบอกอุ้ยไม่ได้สัตว์ใจเหล่านี้มันทําให้จิตเราบาปนี่คือเขาละเอียดจัดแล้วอัจยาสายคนเต็มก็คิดได้อย่างนั้นแล้วแต่ยังเราคิดไม่ได้นะคิดออกไม่โยนตะบันหงคิดออกไม่โเริ่มเห็นใช่ไหมว่าเออแล้วมันจริงๆด้วยบางทีคนมาทําบาปในที่เราเนี่ยถ้าไม่ถ้าเราไม่มีที่ตรงนั้นดีเขาจะมาทําบาป ท, ทำไมทิ้งซะ ต่อไปเราไม่มีที่ดีกว่าเราจึได้ไม่เป็นที่รองรับไห้คนมาทําบาปมีวิธีคิดของคนบุญมากเขาคิดกันอย่างนี้แต่ยังบุญน้อยเราไม่มีเจตนาเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าเขาจะมาแล้วเราไม่ได้สั่งการใดๆแต่มันก็ไม่ได้บาปอันนั้นถูกต้องนะไม่ควบกรรมมบทแต่คนที่เขาคิดละเอียดเขาคิดสูงกว่านี้ตรงนี้ท่านก็บอกว่าในสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมท่านก็พละนานิสงพละนานิสง์ สำหรับคนที่มีบุญทั้งหลายพ อ, าอก็บอกอธิสงเบเสร็จเนี่ยโอ้โหประทับใจแล้วก็เหมือนเวลาเขาโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวนะถ้าคนที่กาไม่ฉันท่ารุนแรงหน่อยเนี่ยนะพอกโฆษณาปนะุ๊บเนี่ยพองานพอหยุดงานเมื่อปุ๊บนี่จะต้องรีบไปเที่ยวทันทีใช่ไหมใช่ยังไงต้องรีบไปดูหน่อยอันนั้นก็แปลว่าคนที่กลาไม่ฉันท่าท่านองคือถ้าคนที่เขามีบุญละเอียดเนี่ยเขาคิดละเอียดแบบนี้เป็นที่ตั้งกันให้คนเขาทําบาปแล้วมันอย่างนี้เรามันนิดูทีบางทีพ่อที่เราเราเขาแย่งกัน บางคนฆ่ากันว่าที่เราอยากได้โคมกินกันแย่งกันอะไรสารพัดกันข่มเหงกันก็เพราะเรามีที่นะใช่ไหมเช่นชมยอะถ้าเราไปยินดีใช่ไหมก็เป็นโลภะถ้าไปยินร้ายก็เป็นโทสะถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงใครควรมันก็บาปก็ไม่เกิดนะ หาพอไม่เกิตรงตรงนี้นี่แหละท่านบอกว่าท่านบอกอันนี้สงแล้วก็บอกสติปัฏฐานทำมวลหนึ่งในโพธิปักขีาทำสามเจ็ดประการนะทำที่เป็นปักฝ่ายการตัดสู้อริยสัจเป็นปุปปภาคือเป็นเบื้องต้นของอะไรของอริยามารรคยงแปดฉะนั้นสติปัฏฐานนี่เป็นเบื้องต้นของมรรคยงแปดเป็นสมณธรรมเป็นเป็นทั้งสมถะแล้วก็วิปัสนาเป็นทั้งวิชาและ เารนาเนี่ยนะสติปัฏฐาน4ี่ก็ได้แก่กายานุปัสนาสติปัฏฐานจะสี่บับเวทนานุ ป, ปัสนาจะเก้าบับจิตานุปัสนาสติปัฏฐานก็สิบหกบับแล้วก็ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานจะอีกห้าบับฉะนั้นกายคตาสติกรรมฐานหรือกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือสิ่งเดียวกันนะกายคตาสติก ร, รมฐานกับกายานุปัสนาสติปัฏฐาน <struck> เป็นอันเดียวกันไหม ก็ต้องบอกว่าเป็นนันเดียวกันเพราะเป็นทั้งสมถะและเป็นทั้งวิปัสนามีอยู่สิบสี่ปร๋านะก็คือสิบสีข้อข้อแรกก็คืออาณาปานาภาณเนี่ยเป็นการลึกถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกลมหายใจหักเข้าและลมหายใจออกเป็นอะไรเป็นกายะสังขารเป็นไม่เป็นก็เรียกว่าเป็นสภาพปรุงแต่งกายเพื่อห้ามมาลายเวลากําหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกห้ามอากุศลวิตก ไม่จิตฟุ้งซ่านใช่ไหมเขาต้องบอกว่าคนที่เป็นวิตกกริตเนี่ยคนคิดมากๆทั้งหลายว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมีใครคิดมากกว่ากันนั่นแหละเจรินานาปนาเยอะๆตัดวิตกได้อาณาปนาสติในี่ตัดวิตกได้ทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านตรึกไปอารมณ์ต่างๆแล้วก็เพื่อจะได้พิจารณารูปธรรมที่ประกอบไปด้วยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแล้วไปพิจารณานามธรรมด้วยนะเพราะสติที่ไประลึกลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกคือตัวนามธรรม ไอ้ลมหายใจเข้าไอ้ลมหายใจออกนั้นเป็นพระประธรรมแล้วก็อาศัยอยู่กรรชกาอาศัยอยู่ช่องจมูกแล้วก็กรรชกาเป็นต้นเนี่ยฉะนั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออก นั้นเขไม่เที่ยงจิต ท, ที่เข้าไปรู้ก็ไม่เที่ยงก็เห็นไตรลักษณ์ในนามรูปมันเป็นสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้เป็นตน้นอันนั้นคืออานาปนาปาัชญาส่วนอียะบทปรัชาที่เราศึกษามาแล้วก็คือพิจารณาความเป็นไปของรูปธรรมมรูปธรรมที่ทําให้เกิดอยาบทเห็นไหมอียะบทจริงๆก็คือเป็นเรื่องของรูปธรรมนั่นแหละแต่การที่รูปธรรมกับอียะบทจะมีการเคลื่อนไหวไป ไ, ปได้นั้นก็ต้องอาศัยนามธรรมเห็นไหมอาศัยจิตตชวายโยธาตด้วยอาศัยนามธรรมาเป็นต้นด้วยฉะนั้นในการพิจารณาอียะบทเนี่ย ก็ต้องพิจารณาทั้งรูปธรรมและอรูปธรรม ท, ที่ทําให้เกิดอิรยาบถถ้ว่าโดยปรมตัตจะไม่มีอัตตาไม่มีคนหรือสัตว์ที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนก็คือมีแต่จิตและมีแต่เสศิกมีนามและรูปเป็นต้นดังนั้นท่านก็ให้ใครควรพิจารณาอย่างนั้นประการที่สามก็คือสัมปชัญญะบักอันนั้นคือการเจริญสัมปชัญญะสี่ศาสการสัมปชัญญะเจริญตัวนี้นะไม่ใช่ไปเจริญอิรยาบถไม่ใช่ไปเจริญการเคลื่อนไปและถอยกลับ การการแลตรงแลเหลียวการพูเข้าเหยียดออกใช่ไหมการนุ่งห่มผ้าจีวรสังขติหรือบาทการกินดื่มเชียวริมการถ่ายเจ ร, ประปัสสาวะไม่ใช่ไปเจริญพวกนี้พระเจ้าข้าย้อนเข้ามาเช่น ไ, ไปพิจารณาียบทยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ไปเจริญียาบทยืนเดินนั่งนอนต้องไปเจริญสติสัมปชัญญะใช่ไหมที่ไปไข้ควรไปพิจารณาียาบทเหมือนเนี่ยสัมปชัญญะเขาไม่ให้เจริญียาบทในฐานะ7นะแต่เจริญสัมปชัญญะสี่ให้ไปเจริญศกาลสัมปชัญญะ ให้ไปเจริญสปายะสัมปชัญญะใช่ไหมเจริญอโคจารสัมปชัญญะแล้วก็เจริญ อ, อสามโมสัมปชัญญะเข้าใจคํานี้ไหมเช่นนิยาบทนั่งเนี่ยต้องเจริญไหมเพราะไม่เจริญก็เจริญสัมปชัญญะไอ้แลตรงแร่เหลียวต้องเจริญไหมท่าให้เจริญตัวสัมปชัญญะนะไอ้ตัวที่ควรเจริญคือสติและสัมปชัญญะใช่ไหมโ ย, ยนมาไอ้ที่ตาเนี่ยตาที่เป็นแรตรงและแลเหลียวเกอกไปเกอกมาได้เนี่ยตัวนี้ไม่ต้องไปเจริญหรอกไม่ต้องไปเจริญหรอกไม่ติยาบทเนี่ยไปเจริญทำไมรูปเป็นธรรมะที่ ที่ควรรู้ควรกาหนดรู้ไม่ควรเจริญแต่ธรรมะที่ควรเจริญคือสติสัมปชัญญะใช่ไหมตรงนั้นสัมปชัญญะสี่ดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยที่เป็นไปในยาบทย่อยก้าวไปถอยกลับการแลตรงแลเหลียวคูเข้าเหยียดออกแล้วก็นุ่งห่มผ้าอีวรสังฆบาทและสังฆติแล้วก็ินดื่มเคี่ยวลิม้มแล้วก็ ยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งทุกๆอิยาบทเนี่ยนะให้พิจารณาเวรเวรศาสกาศสมบัชย์ยะแล้วก็ให้พุงเจริญสปายะสัมบชัญยะส ป, ปายยะสมบัชย์ยะก็รู้รู้ชัดว่าเป็นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแล้วก็เจริญคอยชราสมบัชย์ยะก็รู้<ช>ก็คือเป็นไปกับกรรมฐานนั่นแหละ อาสามโมหะสมปรัญยะก็คือรู้ชัดไม่หลงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงประการที่4ปฏิกูลมรดสการบัพที่เรากําลังศึกษากันอยูเนี่ยพิจารณาความเป็นไปด้วยความเป็นของปฏิกูลในการสามจุในร่างกายเนีก็จะสามารถสงบระงับนิวรธรรมได้นิวัรธรรมมีอะไรบ้างอะสงบระงับการปชันธานิวรพระท่านอุปมาไงย่อมสมาร์การประชันธาณิพระองค์ทรงอุปมาเหมือนอะไรเหมือนอะไรด่เอาการปัะชันธาเนี่ยจำเนาะการประชันธาณิพระเจ้าอุปมาเหมือนอะไร มือนอะไรยัเหมือนการเป็นหนี้ใช่ไหมเป็นคนเป็นหนี้แล้วทําทไมเหมือนเป็นหนี้อ่ะเข้าใจไหมโลภะทําไมเหมือนเป็นหนี้ถ้าคนเป็นหนี้เขาเนี่ยนะเวลาคนเขาเป็นหนี้เยอะๆได้ยินข่าวบ่อยๆไหมจะหวานได้ยินบ่อยๆไหมเวลาเขามาทวงหนี่ยถ้าประเภททวงหนี้แบบโหดๆหน่อยก็ก็มาทุบมาเตี๋ยวนะบางคนก็มาตัดแขนด้วยมาทําให้พิก่กวนพิการก็ก็เงียบไม่กล้าแย่งความแล้วเพราะเป็นหนี้เขาอ่ะเขามาทุบมาตีมาตะคอกมาครู บางทีขนาดว่าบางครั้งกทง็ทั้งที่มาซอม้อมในสารพัดแหละนะเข้านะเข้าที่สุดบางทีฆ่าตายเนี่ยเป็นหนี้เขาจะมันยอมจำนวนเขาหมดนะอ้าแล้วเราเป็นหนี้ไว้ทุกวันเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นโอ้โหบางคนนี่ยอมเหนื่อยเนาะยําบากเอาแล้วตื่นขึ้นมาง้ๆง้อง้อง ง, ง, ง, งานกันแวตัวเป็นเครียวหัวเป็นนอ็อตทำไปไม่ทมักนะเหนื่อยแค่ไหนก็ทอนอดทอนเนี่ยใช่ไหมยอมเป็นงั้นจริงว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ทนเพื่อลูกก็อ้างไป เพื่อลูกเพื่อล้านเพื่ออนาคตเพื่ออะไรต่างๆบางคนนี่ยอมอดตาหลับข่าวตอนอนยอมเจ็บยอมป่วยยอมทุกข์ยอ ม, ท, ยอมทรมานนี่คนก็เหมือนคนเป็นนี่ก็ดีเนี่ยก็ตัญหามันบอกมันกระซิบบอกทํำไปทำไ ป, ำไปมันก็คอยกระซิบบอกเอาไปสินู่นงานา น, นู่นเงินนู่นบ้านา น, า น, นู่นด้วยที่ว่าไปสิเอาสร้างวิมานไปใช่ไหม มันก็หลอกไปเงี้ยนี่เป็นหนี้นะคนเป็นหนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งนะมีเงินใช้หนี้เขาเรียบร้อยแล้วเขาจะเกิดปีติเกิดสมานัตเกิดความสุขที่ให้คนคนนั้นน่ะ เขาปลอดโปงโล่งบาเขาไม่เป็นหนี้ใครอีกแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งนะถ้าเราสามารถตัดชันทาราคาและการมาฉันทาได้วันนั้นเราจะปาโมดจะเกิดปีติจะเกิดปัดปสติจะเกิดความสุขจะเกิดสมาธิจะเกิดปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริง <S <S อุ้ยเราเป็นไทยแล้วไหมชีวิตอิสระตรงนี้ไม่มียังไม่ยังไม่ได้ใช่ไหมเพราะตอนนี้สรุปแล้วเราเป็นหนี้ไหมเป็นหนี้งนะั้นกามาฉันทาเนี่ยคือคือความเป็นหนี้โดยแท้ นั้นคนที่มีหนี้ทั้งหลายก็รีบเปลื้องหนี้กันท่เนาะรีบเปลื้องเพจะได้ชีวิตจะได้เป็นอิสระสักทีเข้าใจคำนี้ไหมยอมวัมปันธ์งเข้าใจเป็นหนี้ยังเป็นยังตอนนี้ใช้หนี้หมดหรือยังแล้วยอมทนจริงๆนะคนที่เป็นหนี้เนี่ยยอมทนบางทียอมถึงขนาดว่าอเนี่ยหนี้เป็นแบบเนี้ยส่วนส่วนพยาบาทเนี่ยเหมือนเหมือนโรคเหมือนความเป็นโรคใช่ไหมเอาเป็นยังไงความเป็นโรคเนี่เป็นยังไงเอานี้นะเคยเห็นคนเป็นโรคดีซ่านไหยคนเป็นโรคดีซ่านเนี่ยขนาดกินน้ําตาลหวานๆเนี่ยกินก็ขมอะ พอดีมันปากมันนั่นไปนหมดมันขกนะกินของหวานก็ขมกินอะไรก็ไม่อร่อยมันจะเป็นอย่างนั้แหละทีนี้คนเวลาเกิดโทสะเกิดขึ้นเนะี่ยเวลาคนมาพูดกับเราพอๆเราเราโกรธเราเครียดนี่นะมีคนมาพูดนะขยันทํางานนะออย่างเกานํำร้อนรสเนะทั้งๆที่เขาพูดดีๆก็ไม่ยอมรับเนะี่ยเพราะมันโกรธก็เหมือนคนเป็นโรคเน่ะเอาของดีอร่อยอยังไงกินมันก็ไม่อร่อยขยายยาง โทรศัพเหมือนคนเป็นโรค ก, ก็มาพิจารณาดูที่ว่าคนยังละโทรศัพไม่ได้เนี่ยเขาพูดดีด้วยก็โกรธเขาพูดแบบมีเหตุมีผลเราก็ไม่พอใจแล้วก็เวลาจะฟังพระธรรมคำสอนก็เครียดฝ่ไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้ปรกมาเหมือนคนเป็นโรคตอนนี้ยังมีโรค น, น, นี้อยู่อีกบ้างยังมีเยอะบ่างก็ทีนี้ถ้าคนไม่มีโรคใช่ไหมรักษาโรคดีสั้นไปต้นหายแล้วก็ากินอะไรก็ก็อร่อยชีวิตเขาก็มีความสุขตอนนี้ความสุขที่ยังไม่เกิดเพราะเราเป็นหนี้ด้วยแล้วก็มีโรคทางใจเป็นต้นด้วย จะต้องข จ, จัดให้ได้นะอนปรรการต่อมาก็คือว่าในกายานุปษษัสนาเติสติปฐานดังที่ได้กล่าวเนี่ยนะนต่อไปก็คือธาตุมนสิการบาปเป็นการพิจารณาหาภูติรูปทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมที่เป็นที่อาศัยอยู่ของรูปทั้งหลายอันเป็นอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายแม้มีรูปมันเป็นสิ่งภายนอกเป็นต้นนะคือธาตุเนี่ยทั้งเป็นภายในและภายนอกเป็นต้นเหล่านี้ก็่อยพิจารณาโดยความเป็นธาตุว่า ไม่มีอัตตาไม่มีสัตว์อยู่จริงอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ตั้งแต่ข้อที่หกถึงข้อที่สิบี่อันนั้นเป็นนวสีวัตถิกาบอกคือพิจารณาซากศพในป่าช้าทั้งเก้าประเภทนะโดยความเป็นโทษตั้งแต่ซากศพที่อืดพองมีสีเขียวเป็นต้นเป็นไปตามลาดับเนะ่ะนะตายแล้วสองวันสามวันขึ้นอืดเป็นต้นตลอดถึงแหลกละเอียดเป็นผุยผงแล้วก็เป็นซากกระดูกแล้วก็น้อมมาสู่กานี้ว่าถึงกายนี้ก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นเป็นอย่างนี้ไปได้ แล้วก็ให้เกิดความเบื่อหน่ายคายความกำนัดในการเป็นที่รักเป็นหนักหนาแล้วก็น้อมจิตไปในการเจริญอนุปัสนาจิตคืออนิจารณุปัสนาเป็นต้นในกายานุปัสนาสีปฐานเนี่ยนะบับเพาทั้งสามมีอะไรบ้างียาบทปับเพาจตุสัมปชัญญะบับเพาแล้วก็ฐานตุมรัชกาลบับเนี่ยอันนี้เป็นวิปัสนากรรมฐานนะล้วนๆเป็นวิปัสนากรรมฐานล้วนๆคือียอาบทเนี่ยสัมปชัญญะเนี่ย แล้วก็ธาตุมนัสิกาเนี่ยอันนี้เป็นวิปัสนานวศีวัติกาปัภะคือซากศพทั้งเก้าทั้งเก้าอย่างเป็นอาทีนวะอยา่างคือการพิจาราศพแล้วก็น้อมมาสู่กายด้วยความเป็นโทษเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสนากรรมฐานแล้วก็ปัภะทั้งสองอย่างคืออานาปานาปปฏิกูณมนัสิการบัปแล้วก็อันนี้เป็นสมถะกรรมฐานในเบื้องต้นก่อนเนาะเป็นสมถะกรรมฐานในเบื้องต้นส่วนเวทนา ทั้งเานี่ยนะจิตานุปัสสนา16แล้วก็ธรรมานุปัสสนา5เป็นวิปัสสนาการรมฐานเนี่เป็นวิปัสสนาที่ท่านแยกนะแต่จริงว่าเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาก็ได้เป็นแต่โดยมากตรงนี้ท่านจะเน้นลงสู่วิปัสสนา อันนั้นก็ให้พิจารณาในลักษณะเนี้ยอ่ะต่อไปดูกายคตาสติในหน้าต่อไปเลยนะต่อไปเนี้ยเพราะเราจ ะ, จะเจริญเราจะเรียนในเรื่องของปฏิกูลมรรสการบัพใช่ไหยกายคตาสติกรรมฐานที่เราจะศึกษากันเนี้ยกับปฏิกูลมรรสการบัพมีเป็นอันเดียวกันนะเป็นอันเดียวกันเราดูในปฏิกูลมรริการบับเลยนะคือเป็นกายคตา กายกตาสติกรรมฐานเนี่ยไม่เป็นไปนอกพระพุทธศาสนาก็แปลว่าการพิจารณากายกตาสติกรรมฐานเนี่นะพิจารณาปฏิกูลมรรคการบอกเป็นต้นเหล่านี้นอกพุทธศาสนาเขาสอนกันไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นเนี่ยนะพวกบรรดาเดรธีพวกปริพาชกพวกอเจรกะพวกพายิราลัทธิทั้งหลายไม่สามารถจะสอนการพิจารณาผมขนเล็บปันหนังเนื้อด้วยความเป็นสมถะและวิเป็นวิบัติษณานี่เขาสอนไม่ได้เขาสอนกันไม่ได้ฉะนั้นในการนี้ เพราะเออว่าพุทธศาสนาอายุของพุทธศาสนายังดำรงอยู่ใช่เมื่ออายุของพุทธศาสนายังดำรงอยู่เนี่ยเลยเป็นบุญของเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาในยุคในสมัยนี้อันนี้ถือว่าบุญน้อยนะถือว่าบุญน้อยแล้วนะเนี่ยจะค่อยน้อยไปเรื่อยใครมาเกิดยุคหลังต่อไปนี้ก็ยิ่งน้อยใหญ่ แล้วอย่ามัวประมาทวโอ้ยไม่ไ ด, ได้เดี๋ยวชาตินี้เราก็ค่อยๆเรียนเล็กๆน้อยๆใช่ไหมเดี๋ยวชาติต่อไปเราสั่งสมเต็มที่แล้วค่อยฮึดใหม่ว่าตอนนี้เรายุมากแล้วอย่าไปคิดอย่างนี้นะถ้ากลับมาใหม่ในโอกาสยิ่งแย่ลงยิ่งแย่ลงแะเพราะมันจะยิ่งแย่ไปเรื่อยนะเขาก็อย่างวันก่อนก่อนจะมาเนี่ยพระที่มาอยู่ด้วยก็บอกมาเล่าอีกฟังบอกว่าโอแถวผ้าอิสานตอนนี้มีพระเถละอยู่รูปหนึ่งเนะี่ยก็สอนความไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มี อะไรไม่มีทั้งนั้นว่างั้นคือไม่มีบาปไม่มีบุญปล่อยเฉยๆชีวิตเนี่ยอยู่เฉยๆอยากจะกินข้าวเย็นก็ได้จะทําอะไรก็ได้แล้วคนนับถือเป็นแสนว่างั้นเนง่ยโอ้น่ากลัวจริงๆสมัยนี้พวกเราถ้าไม่เรียนว่าทําคําสอนนี้ยุ่งเลยเนี่ยต่อไปเราก็จะถูกเกณ์ไปเป็นสามพวกเข้านี้คนนับถือเป็นแสนแล้วนี่สอนบุญบาปไม่มีเนี่ย กรรมฐานจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้ถึงที่สุดบริสุทธิ์เอง อ, อันนี้มัคคริโคสาระเขาสอนแบบนี้สังสารสุทธีเนี่ยคือเอาเขาครบ8ป0 0 0ันมหากราบอะไรแล้วก็บรรลุเองนันก็หมดทุกไปเองแหะฉันถูกเกณฑลงเองไปเบสเสร็จเนี่ยฉะนั้นในคําสอนตรงนี้พระเจ้าวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทําอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชอย่างใหญ่สังเวชอย่างใหญ่เญนี่ยก็คือโอตปานะโอตปะที่สำประโยชน์ได้ได้ปัญญานนคนที่เกิดสังเวชอย่างใหญ่คือโอตปะ ที่สามีจะได้ปัญญาเข้าใจยังว่าจะสังเวชขนาดไห น, นมีปัญญาเกิดขึ้นมาด้วยในขณะนั้นโอดสปะก็มีกําลังด้วยที่ียกอตสปะโดยเฉพาะโอตสปะมีกําลังก็เกิดความกลัวเนี่ยสังเวชด้วยแล้วก็มียานปัญญาที่ก็ไปรู้สดุ้งกลัวต่อต่อผลของของบาปแล้วก็สะดุ้งกลัวต่อต่อผลของบุญด้วยนะที่จะต้องมาสมมติเรา ทำบุญมู๊ยมากจะได้เกิดเป็นพระราชามาคัสสากิสะดุ้งกลัวเงี้ยตายจะไปทำบาปอะไรบ้างนี่เป็นพระราชามาคัสสย์ใช่ไหมไม่สั้างข้าใครบ้างนาะอะไรก็ไม่กลัวแล้วแต่คนคนมีปัญญาทั้งหลายก็กลัวแล้วยังไงยังบทีบริวารไม่ดีขึ้นมามากระซิบรอบข้มาขมาเอ้าเชื่อบริวารเนาะทำบาปอีกแล้วตกนรกอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้นะสังสารวัฏเป็นอย่างนี้นะไอ้วัตตาการคือการเกิดเป็นอย่างนี้ทั้งทังที่เกิดมาเป็นคนมีปัญญาดีๆไม่ต้องอะไรหรอกอย่างพระโพธิสัตว์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเอ้าไปฟังก็คุย บอกว่านางอบุบลตอนนั้นอดีตชาตินางอุบลวันนาแข่งได้ชามสมาบัติด้วยนะแข่งใครก็นับถือกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไปนั่งก็กินเหล้าพขาบอกที่์เนี่เป็นนักเลงชุลาเนี่ขกินเหล้ากันเขก็โอ้เขากตกใจเขก็ร้องเรียกชื่อของนางนี้ที่ว่าเป็นผู้แข่งในสมาบัติเนี่ยคำถามว่าใครเนี่ยโอ้นางนี้ท่านหนูแต่มีสมาบัตินั่งกรรมฐานได้เรตา่างมีจิตเป็นเอกเป็นหนึ่ง เป็นผู้ครึ่งคัดพระโพธิสัตว์ของเรานี่ว่าไงแล้วไหมอุย้ยปัญญาตั้งอยู่ในผู้หญิงตั้งไม่นานแล้วโอ้ยทาไมไปทําไมไปยกย่องผู้หญิงอย่างนี้เล่าว่างั้นนะอุย้ยทําไมไปว่าท่านอย่าง น, านั้นบอกให้พนันกันไหมละ่ะไม่เกินเจ็ดวันเรามาลินเล่าให้กินยังได้เลยดูสินี่พระโพธิสัตว์นะขณะพระโพธิสัตว์นะไม่เกินเจ็ดวันเนี่ยให้มาลินเล่าให้กินได้ศรทัทาพนันกันเป็นหลายพันกนหายแบบนั้นไปแล้วพระโพธิสัตว์ก็เอาเอ า, เอาหนังเสือมันนุ่งผม ไปนางนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในปา่าก็ไปทําท่า น, นั่งก็มาถามนั่งนั่งเงียบเฉยอย่างเง้ยที่คนมีปัญญาไยมีปัญญาแต่ว่าบออกุศลมันแทรกอ่ะนางเอพอนางอดีตชาตินาง อ, อบุบลวรรณนามาเห็นโอ้โอ้โอเคร่งเนี่ยท่านมีเคร่งเนี่ยเข้าไปกราบกราบท่านไปถามท่านก็ไม่พูดรับทตาเฉยวันโอ้บอกไม่ได้ทงแท่งว่าเคร่งท่าจริงๆเราจะต้องเราจะต้องทําให้ ให้ท่านฤาษีเนี่ยพูดกับเราให้ได้ก็ไปวันที่สองเข้าไปหาไปกราบอิฐ น, นี้ไม่พูดด้วยแต่ลืมตาดูดูแผนดิดูแผนดิถ้าอยะางเลืมตามองระวันที่สามนี่พูดด้วยพูดไปพูดมาโอ้ลมปฏิล ม, ลมสึกเฉยเลยช้านเสื่อมอดีตอดีอ น, ดดนางวนนะสึก ตามพระโพธิสัตว์มาแล้วมาในวันนั้นมาที่ที่เขานักเรลงสุลานะจะกินเราสร้างวิธีเล่าให้กินหรือเล่าให้กินกินๆๆเราโอ้โหใดใดกินนี่อดีตพระพุทธเจ้าเรานั้นเนี่ยบางที ม, มันเผลอขึ้นมาเห่นไหมการโตกเกิดเกิดสร้างเกิดนี่โทษต้องการเกิดไปนี้ถ้าเผลอไปก็ไปทําบาปขนาดบา ร, รมีบา ร, รมีดีแล้วนะหรืออย่างประวัติของพระเถรี่นางอิศิธาสีเถรี่ที่ไปทำกรรมชั่วเกี่ยวกับในเรื่องของ ไปทำกรรมเกี่ยวเรื่องของกรรมเมีสมิชาจาร์เนียอตกนรกมาไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมบังเพนบา ร, รมีเป็นแสนกลับเนยะมาชาติสุดท้ายเป็นลูกเศรษฐีพอเป็นลูกเศรษฐีก็แต่งงานเอเ อ, เ อ, พอพ่อก็ให้แต่งงานกับเศรษฐีระดับเดียวกันพอไปอยู่กับเศรษฐีเนี่ยปนนิบัติทุกอย่างกราบเท้า จะเดินเข้าหาสามีก็ปนมมือพูดจาได้คํามันเป็นหน้าคํำน่ารักทั้งทั้งนวดเป็นทั้งอะไรต่างๆตื่นอ น, นอนนอนที่หลังดูไม่เคยพูดคําที่เป็นคําที่ทําให้แสลงใจเลยกระทางานบ้านงานเรือนดีทุกอย่างอยู่ได้เดือนเดียวก็ทิ้งเขาบอกโอ้เขาอึอา ด, ด อ, อัดเหล้วเกินอยู่กับนางอยสี่ตาลีแล้วเป็นคนงามด้วยนะเขาบอกโอ้ไม่ไหวอยู่กับเธอเ น, ะอนอี่ยอึดอัดมากเพราะอย่างเดียวนละ้ว ทางฝ่ายพ่อของสามีก็บอกทำไมลูกนางดีทุกอย่างบอกไม่รู้บอกไม่เป็นไรไม่รู้เป็นยังไงก็บอกอยู่แล้วอึดอาจอยู่ได้เดือนเดียวเนี่ยทิ้งแล้วก็ไล่กลับบ้านเหมือ น, นางก็ร้องไห้กลับบ้านฝ่ายพ่อก็เออไม่เป็นไรอ้าเขาคนไม่มีสามเีเขาทาหนิงใช่ไหมคนคนเดียวไปปมาก็ให้ไปอยู่กับสามีระดับมชิมาเสถียระดับกลางก็เป็นอย่างเดิมเนี่ยอยู่ได้เดือนเราทิ้งต่อมาครั้งสุดท้ายเนี่ยให้อยู่ขอทานมาก็พ่อก็ไปเชิญขอทานมา บอกเอากะลาทิ้งไปเอาชุดเก่าๆทิ้งไปแต่งเนื้อแต่งด้วยที่ให้มาอยู่จ้างให้มาอยู่ให้เป็นสามีของลูกสาวอยู่ได้สิบห้าวันบอกข อ, อกะลาคืนเด้อไม่ไหวแล้วอยู่กันนาำนี่อยู่ดา่านี่ดูทีเนี่ยเนี่ยโทษโทษของการไปแย่งไอ้ีไว้ทําให้เขาแตกแยกกันครอบครัวเขาแตกแยกกันกรรมไอเนี่ยส ง, งนุนานก็ร้อไงก็สองทางนะตายก็ บ, บวชก็เลยเลือกบวชเห็นเห็นทิสุนีเคร่งครัดงา น, นบวชเจดวันได้บรรลุแต่ชันปฏิสัมพิธา นางเราอดีตให้ฟังเล่าสังสารวะัฏให้ฟังโอ้โหน่าสลดใจมากน่าสลดใจมากเห็นไหมเนี่ยบังเป็นบารมีเต็มแล้วยังขนาดนี้ี่โทษของการเกิดเปน็นอยนี้ยอมสมานเป็นอย่างเนี้ไม่รู้เราจะเผลอไปพลาดอีท่าไหนก็จะไม่ใช่ไปทํากรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรขึ้นมายุ่งฉะนั้นในเรื่องของตรงเนี้บอกว่าท่านจึงบอกว่าย่อมเป็นไปยเพราะความสังเวชเพราะประกาศถึงภาวะแห่งกายตามความเป็นจริง ฉะ น, นการเจริญกายยคตาสติกรรมาฐานแบบพิจารณาไปจะเกิดความสังเวชจะเกิดความสลดใจจะเกิดเห็นกายนี้ด้ยความเป็นของปฏิกูลจริงๆ จ, จ, จะสังเวชใหญ่ยานั้สัมยุญที่ประกอบกับโอตปะเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่ประโยชน์สามก็ได้แก่ประโยชน์ในโลกนี้ก็คือมีสติอยู่อย่างผาสุขนะถ้าอยู่ในปัจจุบันนี้นะถ้าเจริญกายยคตาสติกกรรมาฐานในปัจจุบันนี้ก็จะได้ความสุขในปัจจุบันด้วยไม่ใช่เจริญกายยคตาสติเราจะรู้สึกโอ้โหอ้วก เห็นกายไม่ได้ก like, ินข้าวไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะจะมีความสุขมากอยู่กับกรรมฐานอยู่กับกรรมฐานาานี่มีความสุขนะลองถามเนนเนเนนก็ฝึกกรรมฐานเขมีความสุขมันมีให้นั่งกรรมฐานนีบ้านด็ใช่ไหมถ้าพิจารณาเนี่ยความสุขมันจะเกิดประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์ในโลกหน้าถ้าสมมติยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยนะจะมีสุขติเป็นไปโหแค่ประโยชน์ในโลกปัจจุบันนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมชีวิตเน่ย เช่นอยู่มีสติสัพชัญญะและมีความสุขในชีวิตปัจจุบันไม่ทุกข์ไม่กังวลกังวลไม่ฟุง้งซ่านแล้วก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงและยานสามยุศประกอบกับโอตะปาเกิดความสังเวชใหญ่ชีวิตมีความสุขในปัจจุบันถ้าตายไปแล้วมีสุขติเป็นไปในภพต่อไปก็คือ ม, มีมนุษย์กระเทวภูมิเนี่ยและประโยชน์สูงสุดก็คือได้ปริญพานี่ประโยชน์ใหญ่3ประการ น, นี้จะได้และก็เป็นไปเพื่อความกเกษมจากโยคะสีประการ น, นะโยคะสีก็เครื่องประกอบสัตว์ไว้ในวัตถุทุกเนะ่ยมีอะไรบาาา้างการมาโยคะนี่คือ โลภะเจตสิกเนี่ยนะยินดีพอใจในกามทิฏฐิโยคาเนี่ยเออเพราะว่าโยคะก็คือได้แก่อะไรยินดีพอใจในพบตอนนี้ยังยินดีอยู่ไหมเอาระหว่างมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีเนี่ยยินดีพบไหนเอ๊ะทำไมเราว่าเรายินดีมนุษย์ยินดีเทวดาแต่ทําไม ทำไมเราถึงทํากรรมที่มันตรงกันข้ามกับความยินดีของเราถ้าคนที่ได้เกิดเป็นเปรตเนี่ยเชื่อว่าเขายินดีในพ่อของเปรตไหมยินดีก็ยินดีตัวโลภะไงบางคนก็ยินดีตัวโทสะนะคนอย่างนี้มันน่าโกรธเขาบอกได้โกรธแล้วก็ชื่นใจนั้เะแต่ไม่นแปลกนะโทสะไม่น่าจะเป็นที่เป็นที่พอใจของของของโลภะได้บอกคนอย่างเงี้ยมันเขาพูดพูดอยางๆว่าคนอย่างนี้ไม่ทำด่าเขาถ้าด่าแล้วมันถึงจะถึงใจเขาไหมคิดอย่างนั้นจริงๆแปลบางทีก็ว่า เอ้คนอย่างนี้อย่าพูดกับมันยินดีมาหนะ้านี่นะอย่าไปพูดกับมันมันคนชั้นต่ำมันคนชั้นสูงก็ว่าไปบางทีก็ยึดมั่นความเห็นตนเองเลยเนี่ยนั้นบางทีก็กามโยคะบางคนก็ทิศโยคะ ยินดีไอ้ตัวชิฏฐินี่แหละเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ให้ติดอยู่ในวัตตะที่ิเจสิกันนแล้วก็อาวิชาสังโยค่าก็คือว่าตัวอวิชาคือตัวโมหานี่แหละคือความไม่รู้นี่แหละเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ให้ติดอยู่ในวัตตะทุกให้ติดอยู่ในในในการเวียนว่ายใจเกิดนี่ในวัตตะทุกเนี่ยที่วัตตะทุก์ในบางแห่งเขาก็เรียกว่าสังสาระสังสารโรตีปวุจจติเนี่ยคือความเป็นไปของขันอายตนาท่ที่เป็นไปโดยไม่ขาดสายใช่ไั้โยมทุงนั้น คือกระแสของขันกระแสของอายตนะกระแสของธา ต, ตุมันหมุนไปเงี้ยมันไม่ขาดมันไม่ขาดตอนทดีเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันไม่ขาดอันนี้เขาเรียกว่าสังสารวัตรเขาจึงบอกว่าพระเจ้าแต่ดูกรวิจิตรทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายจะเอาญยาเอาไม้ในชมพูทวีปเนี่ยมาตัดคืบหนึ่งนี่นะเอามาตัดเป็นต้นเป็นต้นทั้งทั้งทั้งโลกเลยนะเอาญยาทั้งหมดเนี่ยมาตัดเป็นคืบคืบหนึ่งแล้วก็ มัดๆๆมัดมไว้เอาวางไว้แล้วพันนี่เอามาสมมติว่านี้เป็นแม่เป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นป้าเป็นอาณเนาะเอาไม้ทั้งโลกเนี่ยมันมานับไม้ในชมพูทะลุดชมพูทวีบหมดไปก่อนแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาตินั้นยังเหลืออีกมากมายน่ากลัวไหมล้ะนี่แหละสังสารวัฏนี่จึงจึงเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายแก่เธอทั้งหลาย พอแล้วที่กวรจะเบื่อหน่ายพอแล้วที่จะควนคลายกำหนัดว่างั้นเธอทั้งหลายควรประกอบควรเพียรควรเจเริญกุศลควรรู้พฤติปรมจรัมม์ลองมานั่งโอ้โหเอาทั้งโลกนี้เลยเนะี่ยออกไปข้างนอกเห็นดูยากหน้าหน้าตึกนี้่ลองมานั่งแต่ละต้นแต่ละต้นแต่ละไปมานั่งนับที่ นี่ก็พ่อเรานี่ก็แม่เราไม่หมดนะที่ยาทีนี้ไม่หมดน่าเหบือนหนาเขาจะว่าเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะใหญ่แลคือความเป็นอยู่ได้ปราศคือเพื่อความไม่อยู่ปราศจากสติในที่ทั้งปวงและเพื่อสัมปชัญญะอันเป็นที่ตั้งของสติแล้วก็เป็นไปเพื่อยาณทัศนะนะยาณทัศนะในที่นั้นคือวิปัสสนาญาณนะเป็นไปเพื่อความอยู่สาํารามในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมเนี่ยมีอยู่อย่างคือคื อ, ค, อคือธรรมที่เป็นไปในภพ คนนี้คือคนที่เขาเจริญก็ได้กายยตาสติแล้วเนี่ยเขาจะอยู่เช่นเขาต้องการจะอยู่แบบแบบสบายๆสักหนึ่งชั่วโมงเขาอยู่ได้เอาเราลองดูที่นั่งกันอยู่เนี่ยให้ปุ๊บให้กําหนดสติแล้วกําหนดปุ๊บแล้วดิ่งในลมเดียวหนึ่งชั่วโมงทำได้ั้มไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กายยะตาาสติเอาสองชั่วโมงก็อยู่ได้เราะั้นสามก็ได้สี่ชั่วโมงหนึ่งวันสองวันสามวันเขาก็อยู่ได้เพราะทิฏฐาธรรมะนี่ยเขา เขาสามารถหาความสุขได้ในปัจจุบันพบได้อย่างเราถ้าเครียดขึ้นมาโอโหจะจะทำจิตให้นิ่งสักข้าวนาดีไม่ด้แค่ห้านาทีแค่นั้นก้มอยู่นั่นแหละไม่รู้ก้มเรื่องอะไรก็ไม่รู้นั่เข้านัา่เขายังงงตัวเองเยงนี้เรามาคิดเรื่องอะไรนะครับว่า ย, ย, ย, ย, ยอมสาม า, สามารถว่าทำงานทำการอะไรเสร็จเนี่ยตักพัวเดี๋ยวนั้นแล้วก็ดิ่งแนลมได้หนึ่งชั่วโมงทันทีเลยทำได้ได้ไม่ได้ยังไม่ได้น ะ, ะยังไม่ได้กายยะคตาสตินกายยะคตาสติเนี่ ย, ย, น, ยนับตั้งแต่อาณาปณะไปจนถึงป่าชาทั้ง9้านโดยโดยสูตรเนี่ยโดยหลักเนี่ยคือกว้างข า, ากายยะคตาสติเนี่ยไม่ไม่ถูกกิเลส เป็นข้าศึกภายในกุ่มรุมฉะนั้นคนที่ไม่มีกิเลสเป็นค่าศึกภายในกลุ้มรุมเนี่ยก็มีความสุขได้ทุกทีอย่างเราเนี่ยบางทีเราไม่มีความสุขสมมติท่าไปนั่งอยู่ข้างนองอากาศก็ร้อนเนี่ยนอนกับดินเนี่ยนะพระพุทธเจ้าอยู่กับดินใช่ไหมพระเจ้า พระเจ้าประสิิ์ที่อยู่บนปราสาทเจ็ดชั้นก็ไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีความสุขได้อย่างไรอยู่ขับดินเนี่ยมีความสุขได้อย่างไรวะนั่นนะพระเจ้าก็บอกโอ้คนเป็นโกนีรยคนเป็นโลกเลือนเนี่ยอย่าว่าจะอยู่กับปราสาทเจ็ดชั้นอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขหรอกเศรษฐ า, า, าคดไม่มีโลกแล้วยอยู่ที่ไหนมีความสุขอย่างเงี้ยคือคนไม่มีกิเลสนะ เ, เป็นก้าวสุดปในกุ้มรู ม, มีความสุขทุกที่ ไม่ไม่กังวลไม่ต้องกลัวถูกป้นไม่ต้องกลัวถูกฆ่านะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเราแค่ออกจากบ้านนี่ไม่ล็อกประตูนี่ก็ทุกสายแล้วฟังทาไม่รู้เรื่องไหมเนี่ยต้องรีบกลับไปปิดประตูเลยใช่ไหมใช่เพราะว่ากิเลสภายในมัน มันยังล่าไม่ได้ก็ห่วงไปทั่ว เ, เป็นไปเพื่อความให้แจ้งในวิชาสามคือปุเพนิวาสามนสติยานจุตูป ป, ปาตายาและอาสวัคยายานเพื่อหุณมุติปิมุติแห่งจิตก็คือพระนิพานนะและเพื่อผลกล่าวคือสามัญญผลสี่ฉะนั้นการเจริญกายยคตาสติเนี่ยนะก็คือเพื่อสามัญญผลสี่คือเพื่อโสดาปฏิผลสกาชาคามีผลนาณาคามีผลและอะไรจะผลทำเอกอย่างหนึ่งก็คืออะไรก็คือกายยคตาสติพระเจ้าตรัสว่าดูกนภิกษุทั้งหลายบุคคลเราใดบริโภค กายยักตาสติอย ين, Inform Resources. strictly strictly ู่บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะอยู่เห็นไหมกายยกตาสติในชื่อว่าบริโภคอมตะบุคคลเหล่าใดไม่บริโภคกายยกตาสติอยู่บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าไม่บริโภคไม่บริโภคอมตะอยู่อมตะคือธรรมที่ไม่ตายนะกายยตาสติอันบุคคลเหล่าใดได้บริโภคแล้วอมตะอันบุคคลเหล่านั้นได้บริโภคแล้วเนี่ยกายยกตาสติอันบุคคลเหล่าใดไม่ได้บริโภคแล้วอมตะก็เป็นอันว่าบุคคลนั้นไม่ได้บริโภคแล้วท่านจะว่าใครบริโภค บริโภคในที่นั้นก็คือเอามาเจริญเอามาส่องเสพเอามาไข่ครัวเอามาพิจรารณาเนี่ยชื่อว่าท่านบุญน <ess> ั้นบริโภคอมตะธรรมกายคตตาสติอันบุคคลเหล่าใดเสื่อมแล้วอมตะของบุคคลเหล่านั้นเป็นอันว่าเสื่อมแล้วเช่น <ess> ถ้าเราไม่ได้จเจริญานาปานะ <S <S <ess> ไม่ได้จเจริญียาบทไม่ได้จเจริญสัมปชัญญะ <ess> ไม่ได้จเจริญปฏิกูลนั้นสิการเป่าเป็นต้นเนี่ยชื่อว่าเสื่อมแล้วเสื <S <S ่อมจากอมตะเราบอกว่าอยากแกปริมิพานเขาเราบอกอยากแกปริมิพานอยากจะเข้าถึงพระนิพานอยากจะเข้าถึงความดับทุก กายคตาสติอยู่ไหมผมไม่เลยเ อ, าอาา้าวอาณาปณะคุณบริโภคไหมคุณใช้สอยไหมคุณซ่องเสษเป็นนิดไหมผมไม่เลยเลื่อนก็ไม่เป็นนับลบยังไม่ถูกโหแย่แล้วคุณไม่ได้อมาตธรรมแล้วใช่ไหมแล้วเอาวอียาบทบับแล้วสัำปัญญาบาปปฏิกริยาสการบับ พ, พิจารณาผมคนเล็กปั้นไม่เชื่อว่าไม่ได้บริโภกเสื่อมแล้วถ้าเสื่อมจากกรรมฐานเหล่านี้ก็ชื่อว่าเสื่อมจากอมตะแล้วเสื่อมแล้วยังย่อเสื่อมหรย บริโภคอยู่หรือเปล่าตอนนี้บริโภคกายะคตาสติหมวดไหนอาณาปณนะครพอได้ไหมแต่นั้นเอานี้ข้าวทำกินทุกวันไหมกินทุกวันเนะี่ยหายใจทุกวันหรือเปล่าแล้วบริโภคอาณาปาณะตลอดด้วยล่าไม่ครับบริโภคต้องมีสติสัมปชัญญะตลอดนะในขณะที่ดูลมเข้าลมออกเนะี่ยแล้วบริโภคบ่อยไหมข้าวากินทั้งหลกักๆมีกินข้าวสามเวลานะี่ใช่ไหมแล้วจะเลยอาณาปาณะสติวันหนึ่งถึงสามเวลาไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมเราทำไมทําไมกินข้าวกินอาหารเราไม่เคยลืมสักวัน เราให้นึกอย่างนี้ที่ว่าเราต้องบริโภคกายยคตาสติทุกวันใช่ไหมเหมือนเราบริโภคอาหารต้องบริโภคทุกวันเหมือนเราหายใจต้องหายใจตลอดแล้วเราทิ้งทิ้งสติสัมปชัญญะทำไมที่จริงทีจริงท่านสอนให้บริโภคตลอดนะนะให้บริโภคให้กายยัคตาสตินะให้บริโภคถ้าไม่บริโภคแปลว่าเราเสื่อมแล้วเสื่อมจากอมตะแล้วเสื่อมจากกายยัคตาสติแล้วโอ้ยไม่เสร็จเป็นแล้วชาติชาติตั้งชาติไม่ยอมเสร็จในงานเนี่ย ก็ดูในสติสัมปชัญญะในฐานะเจตเอามีมีขนาดไหนที่บริโภคกายยะขตาติไม่ได้เอาการเคลื่อนไปเคลื่อนกลับใช่หไหมทุกียาบทเลยอนะเดินไปเดินกลับก็ได้โยกไปโยกกลับก็ได้ใช่ไหมทั้งยืนทั้งนั่งแล้วทั้งนอนพลิกไปพลิกมาก็ได้เอานี่ก็ได้แล้วทีนี้การแลตรงแร่เหลยวแร่ตรงกับแร่อนุทิศเนี่ยแล้วเราได้บริโภคไหมเนี่ยได้ไ ด, ได้ได้เจริญสติสัมปชัญญะในสิ่งเหล่านี้ไหมคู่เข้าเหยียด อ, อก เราทำทุกวันบ่อยคู่เข่าเหยียดออกไหมเอาถูพื้นเอาถูพืนคู่เข่าเหยียดออกไหมเนี่ยเอาคู่เข้าเหยียดออกอยู่นี่แล้วกินอาหารก็คู่ใช่ไหมเอาห่มนุ่งหง่มใช่ไหมกินดื่มเคี้ยวลิ้มทายุจาระปัสวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งอ น, นิ่งจเจริญกรรมาฐานไงโยมสมานอธิบายหน่อยนี่นะยกตัวอย่างเช่นว่าเช่นว่า พูดอยู่ใช่ไหมพูดพูดพูดพไปเสร็จแล้วนิ่งปุ๊บเหมือนน่าจะมากำลังพูดพูดบรรยายบรรยายแล้วนิ่งแล้วก็มีสติสลมีฌาญยาบอกว่าลูกประรรมและลูกประทรมที่เป็นไปในขณะพูดเนี่ยกระดับแล้วในขณะที่นิ่งรู้ทันทีเลยเนี่ยนะขณะที่สาธยายไปเนี่ยกำหนดไปเนี่ยนะ นี้พอนิ่งเเสร็จแล้วอยู่ต่อมาก็มาพูดเน้นในขณะพูดก็กําหนดพิกน่าวว่ารูปธรรมแรูปธรรมที่เป็นไปในขณะนิ่ง น, นั้นดับไปแล้วในขณะพูดแล้วบริโภคเป็นบ้างรึเปล่าแบบนี้เนี่ยกายยัคตาสติแบบนี้บริโภค <S <S ไหมกิเลสบอกเราเปล่าเวลานี้เวลานี้ข้าจะเล่นงานคุณแล้วนะเวลานี้ฉันจะเล่นงานคุณแล้วนะคุณจงเตือนกรรมฐานนะกิเลสเขาบอกเราแบบนี้ไหมไม่โจรผู้ร้ายนะเวลามัดักซุ่มเล่นงานเรามันไม่บอกแล้วว่ามันจะฆ่าเราตอนไหนตอนนี้ก็มีหน้าที่อย่างเดียว ขับไล่เขาออกฉะนั้นกายคตาสติเนี่ยนะบอกว่ากายคตาสติของบุคคลเราได้พลาดไปอมตะธรรมของบุคคลนั้นก็ชื่อว่าพลาดไปแล้วกายคตาสติของบุคคลเราได้สาเร็จแล้วอมตะของบุคคลเหล่านั้นก็เป็นอันสําเร็จแล้วดังนี้ฉะนั้นคําว่ากายคตาสติเรียกว่าอมตะเนี่ยข้ออะไร พ่อเป็นเหตุให้ได้บรรลุพระนิพพานที่ชื่อว่าอมตะแต่ถามบอกว่ากายคตาสตินี่เรียกว่าอมตะใช่ไหมใช่เพราะอะไรเพราะเป็นเหตุให้บรรลุบรรลุออาอมตะหรือบรรลุพระนิพพานเห็นไหมเป็นเหตุก็ได้เป็นเครื่องมือก็ได้เป็นสภาวะก็ได้เป็นกัลยาณ์ก็เรียกไม้เป็นเหตุเป็นกัลยาณเหมือนอย่างนี้เหมือนว่าเป่นเวลาตอนเราเรียนวิรตีกันมานี่นะจำได้วิรตีมีสามอย่างสมาทานวิรัสสมปตาวิรัสแล้วก็สมุเฉทวิรัสในขณะที่เราสมาทานศีลเนี่ยสมาทานศีลเนะ่ย ปานาติปาตาเวรมณีอธินาธานาเวรมณีใช่ไหมตาเมรคุณมีฉาจาราเวรมณีระ ว, วังบางพโนยปานาติตะปาตาเวรมณีอันนั้นหมายความว่า อ, อะไรบอกว่าความงดเว้นข้าพรเจ้าของงดเว้นใช่ไหมก็ได้เข้าไปเจ้าของงดเว้นจากการปฏิบัติ เก่าคือการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเรืนออันนั้นไม่ใช่ตัวเจตนานะตัววิรัตนะเป็นประธานนะเวรตีนะนี่วิรตีเนี่ยก็มีอารมณ์สองสามการไปดูในจุลโทดีจุลโทปริเฉดที่3ภาคอารามนาสังหาในเจตสิกเนไปดูดิลองไปเปิดดูดิถ้าคนศึกษามาเข้าใจดีจะเข้าใจันิีว่าวิรตีเจตสิกมีอารมณ์ปัจจุบันกับอนาคตใช่ไหมฉะั้นตัววิรัติตอนนี้เขาจะมีในขณะปัจจุบันเขาก็กขาวิรัตแล้วนวดเว้นได้ แล้วในอนาคตก็งดเว้นอนะนั้นในขณะที่สมาทานในขณะนั้นเนะี่ยต้องมีอารมณ์สองการนันนะีมีอารมณ์เป็นปัจจุบันด้วยแล้วก็อนาคตด้วยแต่ถ้าสัมปั ต, ตาวิรัตเนี่ยมีอารมณ์เป็นปัจจุบันอย่างเดียวก็คืออารมณ์ที่มาถึงแล้วนี่ไม่เกี่ยวกับการสมาทานนะเพราะว่าสัมปัตาวิรัตินั้นมีหิริโอตปะมีฮิริโอตปาเนะั้นเป็นประธานคือก็ามาเกิดขึ้นด้วยความละอายไงแต่ก็คือวิรัตนั่นแหลพะพอละอายใช่ไหมหิริโอตปาที่ก็เป็นเหตุใกล้ของกุศลศีลอยู่แล้วฉะนนนนนนนััั้้้้้้ตตววววิรรรงงดดเเเเเทีี่่หหุกปปะะะจบขออฉพาาาไย็ แต่ถ้าสมุทเชทวิรัชก็เป็นวิราชของพ้าอริยะเออของพระอรหันต์เท่านั้นก็ไม่เกี่ยวกับวิรัชของปุถุชนอันนั้นไม่ใช่เจตนาถ้าไปดูในหนังสือเท่ทั่วไปในะแปลว่าเจตนาแป่ผิดน่แนนะ่เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไงไม่ใช่แล้วเจตนาเจตนาไม่ใเ่วิราชวิรัชก็ไม่ใช่เจตนาตอนนั้นนะวิรัชเป็นประธานเจตนาเป็นธรรมที่คอยตามใช่ไหมในขณะที่เวรติเกิดขึ้นในเจตนาเกิดร่วมไหมเกิดใช่ไหมชักไม่ค่อยมีคน f r a y a หน้าตอบแล้วไปเรื่องเก่าดิ้งไปกายกระจาสติดิ้ง แสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าเริ่มจะพูดคนเดียวแล้ว <c oughs> ฉะนั้นกายยะคตาสติเนี่ยเรียกว่าอมตะเพราะเป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานที่ชื่ออมตะและเพราะประกอบไปด้วยความสุขคือความไม่ไม่มีความเดือดร้อนน่นะเช่นเดียวกับพระนิพพาน การบริโภคคือย่อมเสวยโ ด, ย ก, ดยการเข้าฌานเป็นต้นเพราะเรียกบริโภคไประดี๋ยสวยก็ได้ทีนี้ด้วความจัดเป็น14บับีบอาณาปานาแบบอียาบทบับเราจะตัสัมปชัญญะแบบปฏิกรุณาสิการบับทาตุมนาสจิการบับแล้วก็อนวศีวติกาแบบโดยไนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็กายยะจาราีอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจะมีผลมากมีอานิสงส์มากดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่ควงไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ ด, กดีนั่งคู่บรลลัง ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหนะ้าให้นั่งคูบัาลังตั้งกายตรงเนี่ยนะดำลงตั้งสติไว้ในอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเขาเรียกว่าดำรงสติไว้เฉพาะหนะ้าเขาเรียกว่าตั้งสติไว้เฉพ ในอารมณ์กรรมฐานเขาเรียกว่าจำลองสติไว้เฉพาะหน้าสมัยก่อนเถียงแค่เน่าตายนี่คำนี้เนี่ยสติไว้เฉพาะหน้าตั้งวันเงินเอาไปไว้ที่หน้าผากยังไว้ในกระนั่งในกันคือเอาสติไปกําหนดไว้ที่อารมณ์กรรมฐานเน่ยเรียกว่าเฉพาะหน้าหมดเลยเฉพาะหน้าหมดเลยเช่นกรณีที่เราพิจารณากายภายในหรือกายภายนอกเนี่ยชื่อว่าเฉพาะหน้าหมดเลยเข้าใจไหม เช่นลมลมภายนอกอย่เงี้ยไปพิจารณาลมภายนอกจะจะเฉพาะหน้าเราได้ไงทำไมไปพิจารณาว่าเอาลมเราก็มีลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกแม้สัตว์ทั้งหลายก็มีลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกพิจารณาจนคล่องแคล่วจนชำนาญในลักษณะอย่างเงี้ยี่เฉพาะหน้าเราได้ยัง ไ, ไ, ไลลอองไม่ใช่แล้วพิจารณาอดีตนาคทิ้งได้ก็เฉพาะหน้าอยู่เพราะตอนนั้นสติสัปชายไม่หลุดจากกรรมฐานเรียกว่าเฉพาะหน้าเขาเรียกว่าเฉพาะหน้าอันนี้เป็นนิเทศแห่งกายาสตาสติกรรมฐานเนี่ยนะ ฉะนั้นกายยตาสติที่ประสงค์ในที่นี้ก็คือต่อไปมากํากับแล้วทีนี้สว่าดโดยวรวมเข้าใจแล้วจะให้คำว่ากายยตาสติหมายถึงสิบสี่บับเลยเฉพาะกายานุปัสนาทั้งหมดตั้งแต่อาาปานะปรับจนถึงนวศีวจิกาแบบสิบสี่ปรับผ้าเลยเนี่ยสิบสีหมดเลยแต่ในที่นี้นี่น่ในที่นี้ ในสติปัฏฐานสูตรที่กําลังเรียนกันเนี่ยในหน้าที่9้าในภาคของของพุทธพจน์เนี่ยหน้าที่เก้าเนี่ยบอกกายยัคตาสติที่ประสงค์ในที่นี้ก็คือปฏิกรูปนักสิการบับพพะฉะนั้นในบรรดา14บสี่บัพพานั้นเหตุที่สมบับพพะนี้คือเอียบทบับพพะจะตุสัมปชัญญะบับพพะพาตุนสิการบับพพะ ตรัสไว้เป็นวิปัสนานาวสีวิธีกาปรับตรัสไว้โดยความเป็นอาทีนวานุปัสนาคือปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นโทษแล้วก็ในวิปัสนาญาณทั้งหลายนั่นแหละแม้สมาธิภาวนาก็พึงสําเร็จได้ก็นับเข้าได้ในอัจฉรกรรมฐานทั้งหลายก็หมายความว่าอุทุมาตะกังปฏิกูลังเป็นต้นเหล่านี้การพิจารณาทราบศพที่อืดทองขึ้นเนี่ยถามว่าเป็นสมถะด้วยไหมใช่แล้วก็เป็นพิจารณาเป็นอาทีนวะาด้วยความเป็นโทษก็ได้ เช่นไปเห็นศพแล้วนเนี่ยนะแล้วไปงานศพกันบ่อยไหมโยนบ่อยปานับได้ไม้มแต่เกิดมาจนปัจจุบันนี่ไปงานศพดีรอบแล้วนะเคยได้อารทีนาวานุาปัสนาญาณกับมาบัางรู้ป่อได้ไหมพอไปเห็นป้าก็พิจารณาเห็นโทษทันทีเลยโอ้ยร่างกายนี้ฉันใดร่างกายนั้นก็ฉันนั้นร่างกายที่นอนอยู่ในโรงฉันใดร่างกายนี้ก็ฉันนั้นใช่ไหมพิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษให้ควรพิจารณาไปเกิดความเบื่อในาย เรคุณไปก่อนเนี่ยเราก็ตามไปไม่มีอะไรเลยไม่แตกต่างกันเลยเนี่ยกายนี้แต่ก่อนนั้นมีวิญญาณคลองโอโ้โหสารพัดทั้งรักโกรโกรธหลงเป็นต้นเนี่ยบัดนี้วิญญาณไปปราศจากแล้วเนี่ยเอาข้าวไปให้กินก็ไม่ลุกมากินเนาะก็ใครควรพิจารณาอัถาของอัถาของกายนี้เขาสอนอะไรแล้วเนาะเขาก็สอนบอกว่าแต่ก่อนเราก็เหมือนท่านนะใช่ไหมแต่ก่อ น, น, นเราก็สามารถยืนเดินนั่งนอนทํากิจอย่างท่านได้ทุกอย่างปัจจุบันนี้ก็พระเจ้า อยากจะทำก็ทำไม่ได้เหมือนท่านแล้วท่านอย่าประมาทนะแม้ท่านก็จักไม่พ้นเหมือนจากเราเนี่เราได้ได้ตรงนี้มาไหมได้อาทีนวานนุปัสนาญาณกลับมาไหม เป็นโทษเนี่ยถ้าไม่เห็นกลับไปศพไปดูศพใหม่บอกต่อไปมันนักติการใข้ควรใหม่ไปงานศบไปคิดใหม่เลยนะไปคิดใหม่ไปไปเหมือนเดิมได้ไปเป็นคนใหม่ใช้วิธีคิดใหม่ต่อไปโอ้มีงานศพเป็นไรก็ไปขใข้ควรไปพิจารณาไม่ไปคุยเรื่องสนุกสนานแล้วเนะี่ยไปงานศบไม่ไปคุยหัวเราะต่อกระซิบกันไม่มีแล้วไปขใข้ควรไปพิจารณาโ อ, โอ้อัศาจรรย์เนาพระธรรมคาสอนของพระเจ้าพระเจ้าตัดไว้คําไหนจริงแท้ไม่แปลผันเป็นอย่างอื่นเลยเนะี่ย ก็จะได้พุทธคุณมากขึ้นเออมีคนก็โทรมาวันก่อนเนี่ยนะมีอาทิตย์คนหนึ่งมันศึกไปแล้วมาโทรมาถามเขาบอกเขาจะเจริญพุทธานุสติยังไงเนี่ยเขาก็ทํางานอยู่โรงงานเขาบอกไะแล้วเขาจะเจริญพุทธานุสติยังไงถ้าเขาถามนี้เนี่ยยอดสมาธิต่อเขาว่าไงอาจจะตอบเขาว่าไงที่บอกวันหนึ่งในชีวิตประจําวันีไม่มองยังไงก็ไม่เห็นพุทธคุณเนี่ยสวดได้มหมอิทิบิโสภะควาอาหังสัมมาสัมพุทโธสวดได้แต่มองไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้ามองไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้ากันเลยบอกว่า การการระลึกถึงคุณของพระเจ้านั้นน่ะมันอยู่ที่ในายากของความเข้าใจคำสอนนะอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเราไปงานศพเนี่ยใช่ไหม ถ้าพิจารณาบอกว่าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความพัดคลาดเป็นเป็นธรรมดาเห็น ไ, ไหมพอพิจารณาอย่างนี้เราบอกโอ้พระพุทธเจ้าตรัสคําสอนใดจริงแท้ไม่แ่ฝันน้องเห็นคุณเนี่ยอย่างเดียโอ้ยคํานี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้นานแล้วนะมแล้ว พ, พระพุทธเจ้ายังตรัสอีกบ่าว่าเนี่ยร่างกายนี้ก็ฉันใดร่างกายที่นอนในโลกก็ฉันนั้น ร่างกายที่นอนในโรงนั้นฉันใดร่างกายที่เจตอยู่นี้ก็ฉันนะั้นพิจารณาดูไม่คว้างไม่ต่างกันเลยต่างกันเลยว่าร่างกายนี้มีวิญญาณคลองร่างกายนั้นไม่มีวิญญาณคลองล้วนเป็นอสุภะกรรมฐานไม่งามทั้งคู่เลยเนี่ยพอพิจารณานี้ก็น้อมถึงคุณของพระเจ้าโอ้พระเจ้าตรัสคาใดจริงแท้ไม่แปรผัน เห็นผู้ธำนม้นสติอ่ะเขาพิจารณาอย่างนี้คําสอนทุกคําสอนเนี่ยนะแม่เห็นพระสงฆ์ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยแล้วก็น้อมถึงว่าโอ้พระพุทธเจ้านะนี่สาวกของพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยนึกถึงพระเจ้านี่ยนะน้อมกับหาพระเจ้าได้หมดเันอยู่ตรงที่ว่าเราจะไข่ควรถึงไหมมันเหมือนอย่างเราเนี่ยทำงานทําการไปกันได้ถึงแม่โอนี่แม่สอนว่าซึ้งใจกัล้วันนี้แม่สอนว่ า, าซึ้งใจเราใช่ไหมใช่เนี่นี่แม่ด่าเรา นี่แม่ด่าแล้วนี่ไม่ได้แล้นี่ น, นะนี่พระพุทธเจ้าโอ้มีสอนแล้วยุบหยุดก็ไม่ได้คุณก็พิจารณาให้เกิดคุณพอจะมองเห็นได้ยังได้ี่ยสามารถจะเลิกถึงคำสอนทุกคำสอนแล้วสามารถจเจริญพุทธานสุสติได้ยิ่งถ้าหากไปที่ประเทศอินเดียด้วยนะมองเห็นอะไรนี่จเจริญพุทธคุณได้เยอะแย ะ, ยะหมือนนะ้วที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยบริโภคเคยใช้สอยนะ มีพระเจ้าเคยแสดงธรรมจักรกปรัปวันสูตรมีพระเจ้าเคยแสดงอนัตตลกขณสูตรมีพระเจ้าเคยแสดงอาทิตตบริยยสูตรมีพระเจ้าเคยแสดงสติปัฏฐานสูตรมีพระเจ้าแสดงกัคคูปมาสูตรเนี่ยนะมี่พระเจ้าทรงแสดงมหาสุทัศนสูตรนีพระเจ้าแสดงมหาปริญพานสูตรโอ้โหเราเห็นตรงไหนก็รละลึกได้พระคุณก็เกิด เป็นแถวสิต้องการะลึกว่าเนี่ยีมันตรงไหนเนี่เอ๊พุทธเจ้าว่าเลยเสร็จเลยนี่เก็บัพ้์ของพุทธเจ้าไม่ได้นะลำบากเก็บไม่ได้นึกนึกไม่ออกนึกไม่ออกก็พุทโธพุทโธไปยังดีอยู่นะพุทธเจ้าตัสรุวะอริยสัจสีแล้วทีนี้ในธาตุมรณาการย์บาปเนี่ยให้สําเร็จเพียงอุปจารสมาชีนะธาตุมรณาการย์บาปเนี่ยแต่ถว่าสัมสัญนาวระคือวาระของการพิจารณาในกรรมฐานนั้นมีกําลังยิ่งก็คือสติสยะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่า าธาตมนัสิกาบนบาปเนตรัสด้วยความเป็นวิปะะวัสนานวสิกาปัพพานั้นก็ล้วนแสดงโทษของในร่างกายแล้วก็แสดงลักษณะมีความไม่งามความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์จึงจัดเป็นอาชีนวายานและก็เป็นสมถะภาวนาในอสุภาพกรรมฐานด้วย <S <S ทีนี้ในอนุสตินิเทศเนี่ยนะในสองปัพพาอาณาปณะพัพปัพพาเนี่ยเป็นกรรมฐานบทหนึ่งต่างหากโดยเป็นอาณาปณะสติกรรมฐานส่วนทวัตติงสาการะกรรมฐานที่เรากําลังเรียนกําลังจะศึกษาเนี่ย สแสดงไว้ด้วยความเป็นปฏิกูลมาตรการนะส่งเคระเอามันสมองเข้ากับเยื่อในกระดูกมันสมองอนะมัทหลงคังอนะเข้าในเยื่อในกระดูกเพราะไม่มีใช่ไหมไม่มีมันสมองที่ลองไล่ดูเมื่อกี้องคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นอะไรเนี้ย ก็มีเยื่อในกระดูกจบแค่ตรงนั้นน่ยฉะนั้นแล้มันสมองหายไปไหนไอ้กระโหลกนี่ก็คือกระดูกไอ้มันสมองที่อยู่ในกระโหลกก็คือเยื่อในกระดูกจบเลยเด้ยถือว่าตรัสไปแล้วแต่ว่าในคำภีรวิสธิมาร์สเนี่ยเขบอกว่าเยื่อเข ข, ข, ขยายเพิ่มเหมือนกดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แล้วข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุพิกชนาะเห็นกายนี้แหละเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ําตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือผมทั้งหลายอยู่ในกายนี้ขนทั้งหลายก็มีอยู่ในกายนี้เล็บทั้งหลายก็มีอยู่ในกายนี้ก็ใครควรไปนี่เลยด้วยนะฟันทั้งหลายก็มีอยู่ในกายนี้ฟันก็เรียกว่ากายและฟันก็อยู่ในกายนี้แหละกายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่นี่แหละผมก็อยู่ในกายนี้ผมก็เรียกว่ากายนะกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันฉะนั้นฟันทั้งหลายก็อยู่ในกายนี้หนังทั้งหลายก็อยู่ในกายนี้เป็นหนัง เนื <een S 2> ้อเอ็นกระดูกเยื uh ่อในกระดูกไตหัวใจตับทางขื่อดมปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเรียกว่าไส้น้อยบางแห่งเรียกว่าสายรัดไส้ไส้ใหญ่อันตังไส้ใหญ่อันตับคุณังอันตับคุณฮะคุณหน้าคุณหน้าบางทีก็แปลว่าเครื่องผูกก็ได้นะกามะคุณกามะคุณเนี่ยแปลว่าเครื่องผูกในนี้จะแปลว่าสายรัดไส้แต่แต่โดยที่บางแห่งเขาก็ยังไม่รับในคําว่าสายรัดไส้เขาบอไส้น้อยเพรไส้น้อยมันสั้นกว่าไส้ใหญ่ใช่ไหม ในศึกษาดูในสรีระจะเวลาใส่ใหญ่ได้ยังไงไส้ตั้งแต่หลุมคอลงไปนี่เนะี่ยจนถึงทวานหนังเนะี่ยมันเหมือนงูอ่ะตัวมหึมาอย่างยาวเลยสามสิบสองศอกสามสิบสองศอกสามสิสองขอมันขดอยู่เงี่ยอยู่ในางตัวเราเนี่คืองูอ่ะงูมันอยู่ในตัวเนี่ ย, ย, ยงูเหลือมอย่างใหญ่เลยนะเนี่ยขดไปขดมาเนี่ยถ้าเอามาวัดนี่ยสามสิบสองศอกยาวไปไหนอู ยาวกว่ายาวกว่าห้องนี้แหมเราตัดดึงมาลากมาดูกันทุกคนทุกคนมาดูนเนี่ยเราเรามีงูอยู่ข้างในเนี่ยมีสร้ยใหญ่ไม่งามจริงๆเนาะงามไห ม, ม, มเนี่ยไม่งามนมันนอนกอดงูกันอยู่เนี่ยนอนเป้างูกัน ไม่รู้ไม่รู้ที่เราแต่งนี่เราหลอกคนอื่นหรือรหลอกตัวเองก็ไม่รู้โอ้หลอกเราหลอกทั้งเขาและเราเ ะ, ะหลอกทั้งเขาและเรางั้นใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเส็่น้ำเหลืองเลือดเหนือน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อมูดมีอยู่ในกายนี้ดังนี้นะฉะนั้นทวัตติงสาการะกรรมฐานวิทวัตติงสาการมีอาการสามสองเนี่ยประสงค์ราว่ากายยะคตาสติในอนุสติมิเทศต่อไปเป็นการขยายบาลีนะ บาลีในะการยคตาสติตรงนี้จริงๆได้หลักการต้องใน้ท่องอ่ะต้องให้ท่องให้ได้อ่ะสามสิบสามจริงๆสาสิบสองนี่ไม่ใช่จริงไม่ได้มากอะไรเลยนะไม่ได้มากอะไรเลยนะสมมตินะคิดง่ายๆแบบนี้ถ้าเขามีเงินมากองไว้สาสองกองแล้วเขาได้มากองแล้วเท่าไหร่เร็วมากใช่ไหมอันนี้แหมสามสิบสองอย่างแล้วก็อยู่ในร่างกายแล้วก็นอนเป้านอนดูก็อยู่นี่แหละแล้วก็ใช้ทำไมทชไมต้องเกี่ยวข้องกับเขาอยู่ตลอดเวลา แต่ประหลาดแท้จําไม่ได้ของคนจําไม่ได้ผมขนเลยผมก็พอรู้ขน ก, ก, ก็พอรู้เล็บก็พอรู้ฟันหนังเนื้อเอ็นเอ็นในเริ่มจะไม่ค่อยรู้แล้วกระดูกกระดูกมีกี่ท่อนไม่รู้เลยตอนนี้เยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจไตตับเป็นต้นเลยเนี้ยทีนาก็เข้าเ ห, หมะไม่รู้ที่จริงควรรู้อนะอิมมเมวากาย่างซึ่งกายอันอาศัยที่อาศัยแห่งมหมาพูดนะนะตีอย่าง อดทางปลายท่าตลาดก็เบื้องต้นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปอโทเกสะมาท ก, กาก็คือเบื้องต่ําแต่ปลายผมลงมาแต่จากปริยันตังก็มีหนังหุ้มอยู่โดยขวางโดยรอบปุรานาณาปการาสาอสุจิโนปัจเวคติก็คือการนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีผมเป็นต้นก็คือให้พิจารณาในความเป็นของไม่สะอาดเอาผมเอาขนเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเป็นต้นมาไข่ควรถามว่าอย่างไรตอบบอกว่า อธิอิมัสมิงกาเยเกสาโรมาสมัยก่อนก็สวยจากอธิมาสมิงกาเยเกซาโรมานะคะทันตาตโจมังสารบลายตามลำดับไปนะอธิก็คือสามวิสัชชนติก็แปลว่ามีอยู่อิมัสมิงก็คือในกายที่ตรัสไว้ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดประการต่างๆกาเยคือในสรีระนะ ศลีร่เราเลวกายเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นที่เกิดแห่งโกราสาส์ทั้งหลายมีผมเป็นต้นเป็นที่ตั้งของโรคร้อยร้อยอย่างนะร้อยชนิดโรคตาโรคหูโรคจมูกเป็นต้นเป็นของน่าเกลียดเพราะเกาะเกิดมาแต่ของไม่สะอาดผมเนี่ยเกิดมาแต่ของไม่สะอาดขนก็เกิดมาแต่ของไม่สะอาดใช่ไหมเพราะขนที่ปักลงไปในหนังศรีรษะเนี่ยก็ดูดกินหนองกินเลือดกินของไม่สะอาดเข้าไปบำรุงหล่อเลี้ยงขึ้นมะาผมจึงไม่สุกไม่งามจะ ง, งามได้ไงมันกินของไม่สะอาดเข้าไป มันดูดซึมของไม่สะอาดก็ไปยังงามได้ยังไงใช่ไหมเจ้าฉะนั้นถ้าผมไม่งามและส่วนอื่นๆไม่ต้องพูดถึงแล้วของอะไรที่มันอยู่ในกายนี่จะงามได้ยังไงใช่ไหมเราดูจากการหลั่งออกดังที่ได้บอกไว้ของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเบื่อหน่ายด้วยฉะนั้นในอาการสามสิสองมีผมอาการแรกเนี่ยเพิ่งทราบสัมพันธ์ในบทบารีเป็นตันวหนังอัติมาสมิงกายเยทุกบทไปนะให้ว่าอย่างเงี้ยอัติมาสมิงกายเยอัติมาสมิงกาเยเกสาโรมานาขาน ะ, ะผมทั้งหลายมีอยู่ในกายนี้คนทั้งหลายมีอยู่ในกายเนี่ย ก็ไล่ไปเนี้ยผมทั้งหลายมีอยู่ในกายนี้คนทั้งหลายมีอยู่ในกายนี้เล็บทั้งหลายมีอยู่ในกายนี้ฟันทั้งหลายมีกา ย, กายอยู่ในกายนี้หนังก็มีอยู่ในกายนี้ะเนื้อก็มีอยู่ในกายนี้เอ็นก็มีอยู่ในกายนี้ก็ไล่ไปตามลําดับอย่างเงี้ยงั้นพอพิจารณาและสาธยายอย่างนี้บ่อยๆจะเห็นชัดเลยเลยเนี้ยนี่ไม่เคยไปไล่ขึ้นไล่ลงอย่างเงี้ยนะต้องไปไข่ควรเนี่ยต่อให้เราบอกอุ้ยเราเป็นคนพิจารณาไม่เคยเป็นเนี่ยเราไปท่องไม่ได้สามสิบสองอย่างนี่นะ แล้วก็ให้บริกรรมเข้าไปมีอยู่ในกายนี้มีอยู่ในกายนี้ขนทั้งหลายก็มีอยู่ในกายนี้เล็บทั้งหลายก็มีอยู่ในกายนี้ฟันทั้งหลายก็มีอยู่ในกายนี้หนังก็มีอยู่ในกายนี้เอ็นทั้งหลายก็มีในกายนี้กระดูกทั้งหลายก็มีอยู่ในกายนี้ก็ไล่ไปอย่างนี้ไล่ไปโอ้ยเจ๋อเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นแบบนี้พอจํำมาได้โอ้ย เข้าใจแล้วพระพระุทธเจ้าตรัสจริงเนาะนี่ยใช่ไหมพอพิจารณาอย่างนี้แต่ น, นี้ไม่ปฏิเสธพระธรรมคำสอนแล้วเยเห็นชัดหมดถึงบอกในที่ว่าพระแท้จริงถ้าบอกว่าเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วว่าแท้จริงใครสักคนเมื่อค้นดูในกะเรลวาอันยาวประมาณหนึ่งวามีขนาดเท่านี้ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมาตั้งแต่ ตั้งแต่หนังเข้าไปจนโดยรอบเนี่ยแม้โดยอาการทุกอย่างจะได้พบความเป็นของสะอาดอะไรๆเช่นพอกพิจารณาถ้าหากพิจารณาอย่างนี้นะผมทั้งหลายก็มีอยู่ในกายนี้คนทั้งหลายก็มีอยู่ในกายนี้เล็บทั้งหลายก็มีอยู่ในกายนี้ฟันทั้งหลายก็มีอยู่ในกายนี้พิจารณาให้ควรไปจนถึง มาทะลุทางเนี่ยนะก็มีในกายเนี่ยเมื่อพิจารณาเป็นไปตามลำดับทุกส่วนสาสตร์นี่นะผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนาาื้อไตหัวใจตับเป็นต้นเหล่าเนี้จะไม่พบไข่มุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์กลิ่นสนะราบูลหรือของอื่นๆที่มาไม่มีเพชรเลยแต่จะเจอแต่ของที่ไม่สะอาดที่มีอยู่ในกายนี้ทั้งสิ้นนะครับท่านใดใครควรพิจารณาอย่างนี้นะแต่จริงๆไม่มีจริงๆนะมีมีใครจามฮัดเชยมีเพชรไหลออกมาหรนะมีแต่น้ำมกูก ไหลออกมาค้นๆด้วยนะไม่มีเลยไม่มีเพชรออกมาสักชิ้นเลยแสดงว่าไม่มีไข่มุกดาไม่มีแก้วมณีไม่มีเจียวใบถุยจริงๆใช่ไหมถุยน้ํำลายออกมาก็ไม่มีไม่มีเพชรจริงๆนะไม่ใช่ว่าใครที่มีข่าวออกมาวันก่อนก็มาเราตอนยังขา โกรธภรรยาที่ไรก็กินตะปูเคยได้ยินเก่าไหมเขาบอกงนะั้นเนาะโกรธภรรยาอะไรกิกนตะปูทุกทีทักหลังสุดนี่แล้ว ก, กินแล้วก็ถ่ายออกปกติ น, นะไม่เป็นไร้างหลังไปกินตะปูยาวาไปขนาดสีนิ้วห้านิ้วไปกินปุ๊บก็ไปไอไอไ อ, อันอื่นที่สั้นๆออกหมดถ่ายออกหมด แไปมันขวางอยู่อันไม่ยอมออกเดือดร้อนล้วสินี่หาหมอยเล้โกรธแปลกๆโกรธแล้วกินตะปูอันนี้ก็ไม่โกรธแล้วกินตะปูใครเคยเป็นไหมโกรธพ่อโกรธแม่โกรธพี่โกรธน้องแล้วทําอะไรแปลกๆไม่เคยไม่เคยอย่างดีก็ไม่พูดด้วยนะแกล้ทําหน้าบึ้งๆถ้ารู้ว่าเป็นกรรมไม่ทําอำนะแท้ที่จริงจะพบแต่ของไม่สะอาดมีประการอะไรต่างๆด้วยโกรธทาสะมีผมขนเป็นต้นอันนี้กลิ่นเหม็นแล้ก็น่าเกลียด ไม่เป็นขวัญตาเลยเท่านั้นท่านว่างั้นเพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่าอัธีมาสหมิกาเยเกสาโดมานะคะท่านตาเป็นต้นผมทั้งหลายมีอยู่ในกายนี้คนทั้งหลายมีอยู่ในกายนี้เป็นต้นไปจนถึงมูดก็มีอยู่ในกายนี้ดีเสเลตหนองเลือดเหงื่อมันขนน้ำตาเปลวมันน้ำลายแล้วก็มูดก็มีอยู่ในกายนี้ทีนี้ในภาวนานิเทศแห่งกายยคตาสติกน ะ, นะก็แล้วในอาทิกกามิกาบุคคลอาทิกกามิกาบุคคลคือบุคคลผู้เริ่มใหม่เนี่ย อดิกรรมิกาเนี่ยผู้ไขจะเจริญกรรมฐานครั้งแรกเนี่ยนะลำดับแรกจะทํายังไงท่านบอกหนึ่งให้เข้าไปหาการยานมิตรเข้าไปหาการยานมิตรก็คือเข้าไปหาอาจารย์ที่เขาศึกษามาดีแล้วถ้าสมัยก่อนก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าเข้าไปหาพระสารีบุตรเข้าไปหาพระโมคคัลลานะเข้าไปหาพระมหาตังเปรนเจ้าเนี้ยนะอาไม่มีอยู่แล้วท่านเหล่านั้นปริญญาผ่านหมดแล้วก็เข้าไปหาพระอรหันต์ไม่มีพระอรหันต์ก็เข้าไปหาพระนาคาก็ไม่มีพระนาคาก็พระสกาทาคาหรือพระโสดาบันไม่มีพระโสดาบันก็ไปหาอาจารย์ที่ส่งม อะไรดีดกุ๊บอาตมาฐานอะไดีด ก, ดกันก็ชอบไปหาท่านเลยท่านที่ฉลาดนีนะแล้วก็ถือเอากรรมฐานถือเอากรรมฐานมาถ้าหากเป็นคนมีปัญญามากเรียนย่อปัญญาน้อยก็เรียนโดยพิสดารที่นั่งอยู่นี้ใครมีปัญญาบ้างมีปัญญากว้างขวางถ้ามีปัญญากว้างขวางเรียนเนี่ยในสติปัฏฐานสุดนั่นแหละเรียนย่อๆงั้นเข้าใจทันทีเลยนะพอมาบอกว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดู ก, ก, ดกใจหัวใจตับไล่ไปเที่ยวเดียวจําได้เลยผมมีปัญญาดีจําแล้ทะลุทะลวงสามารถฉลาดฉลาดในการพิจารณา โดยอุกกาโกสันลาแล้วก็มนาสิการโกรสรันลาชัดเจนเลยเพราบอกไปเล็กๆน้อยๆเข้าใจอะไรเนี้ยปลีกเล่นเข้าป่าเจริญกรรมาฐานได้ไม่นานก็เป็นก็คว้าอาริยมรรคอริยผลไดน้นี่เขาเรียกคนปัญญาดีนะถ้าปัญญาไม่ค่อยดีก็เรียนพิสดารเรียนแล้วเรียนเล่า เ, เรียนยันจําได้นะแล้วค่อยแล้วค่อยค่อยไข่คนในอุกกา โกศละความฉลาดในการถือกรรมฐานและก็มานาิการโกชันละก็ฉลาดในการมานาิการกรรมฐานสักอุคขาโกศระ7มานาิการก็เก้าเออสิอุคาโกศละเนี่ยนียในโกศระ2 อ, อย่างนั้นอาจารย์ก็บอกอุขาโกศระ7วิธีก่อนวาจะสาคือโดยทางวาจามานาสาโดยทางใจคือท่องนะนะลดับแรกก็คือให้ไปท่องเนี่ยเอาเนี่ยเยสา ล, ลงมาไปท่องในวาจาแล้วก็มานาิการทางใจวานณโต ก, กําหนดสีสันฐา น, นฐโตกําหนดสันฐานทิสโตกําหนดทิด โอกาสโตก็ที่ตั้งปริเฉทโตโดยการตัดสุดตอนเนี่ยนะ เจ็ประการเนี่ยลำดับแรกเขาก็สอนอ่โดยวาจาทำํำยังไงพระโยคาวาจรหรือว่าผู้ที่จะศึกษากรรมฐานน่ะแม้จะเป็นผู้ทรงพระตรัยปีดกก็ควรทําการสาธยายด้วยวาจาก่อนอันนี้ท่านบอกใครก็แล้วแต่เรียนมาจบวินัยปิดกพระสุตตันตปิดกพระวิธรรมปีดกสมมตินะจบจบทรงทรงพระตรัยปีดกเนีนะเอาถ้าจะไปเจริญจริงๆลำดับแรกกลับมาทวนทวนด้วยวาจายคล่องก่อนทวนด้วยวาจายคล่องสรมฐานก็จะปรากฏนะนะเมื่อพระโยคาวาจรนั่นน่ะทำการสาธยายอยู่นั่นแหละกรรมฐานก็จะปรากฏ นี่ท่านก็ยกตัวอย่างว่ามีภาพสองรูปที่เรียนกรรมฐานในสำนักของพระมหาเทวเถระชางมาลายนี่ยคือพระเถระทั้งสองเนี่ยได้ขอกรรมฐานต่อพระพหมหาเถระพระมหาเถระได้ให้พระบาลีในทศทวัตติงส า, ารเนี่ยเนีก็คืออาการส2มท่านทั้งสองก็เป็นผู้คล่องแคล่วอยู่แล้วใช่ไหมก็อาไปไข่ควรเอาไปเจริญ กอยพิจารณาเกสาโรมาเป็นต้นเนี่ยสเดือนนี่ยแทงตลอด4เดือนความจริงพระเถระทั้งสองน่ยช่ำชองบาลีอยู่แล้วช่ำชองทั้งสองสมนิกายพระตรปิฎกมีกี่นิกายมีห้าใช่ไหมมีกายทีแค่นิกายอย่างนี้มีกายแรกในในข้อพิสูจน์แล้วก็มัชฌิมนิกายนิกายที่2แล้วก็สังยุตตะนิกายนิกายที่3อังคุตะลนิกายนิกายที่4แล้วก็ขุทักนิกายแค้าเนี่นิกายบางคนเนี่ยทรงเป็นนิกายนิกายแล้วก็ทรงแบบเขาจาได้ ไม่ต้องมานั่งดูตัวอย่างเราเลยนะพระคำถามอาทีเคลนิกายทันสาธยายเพระวบได้เลย ถ้าย้อนสมัยลองทีคณิการสักหน่อยสีคณิการไม่ได้โยกจิตยังจําไม่ได้เลยนะจิตยังลืมเลยเดือนทรงได้เพราะความที่ท่านเป็นผู้รับโอวาโ ด, ดยเคารพเป็นปกติฉะนั้นเวลาท่านเข้าไปรับโอวาจากพระเถร่าเป็นต้นท่านจะรับโอวาโ ด, ดยความเคารพโดยพระที่ท่านศึกษามาดีเนี่ยนี้ยลึกบุคคลใดก็แล้วแต่ศึกษาพระธรรมคำสอนคําสอนมาดีเนี่ยพอศึกษาแล้วเนี่ยความนอบน้อมในพระธรรมคำสอนท่านก็รับด้วยความเคารพท่านเจงอุตสาหหาถาทายทวติจริงสาการอยู่4เดือน4ี่เดือน ได้บรลอันนี้แปลว่าท่านเรียนมาอย่างดีแล้วใช่ไหมพออาจารย์ให้กรรมฐานไปเอาเอ า, เอาไปสาธยายแล้วท่านเป็นคนซื่อสัตย์เน่เป็นคนตรงอะ่ะไม่ใช่คนคตเน่ยคนตรงแปลว่าพอรับปากว่ า, าสาทยาย4เดือนนอะ ท่านก็ไปทําจริงๆมันเหมือนคนคนหนึ่งนะเขาบอกเป็นคนตรงจริงๆพขาบอกว่าเขาเป็นทหารเห็นทหารในเจ้ปรอเนี่ยก็ไปฝึกก็เป็นหัวหน้าก็พาไอ้ทางหัวหน้าก็ตั้งไอ้เป็นหัวหน้านี่ก็ทําโทษอ้าให้วิ่งรอบสนามยี่สิบห้ารอบวู้สนามกว้างมากแล้วหัวหน้าก็กลับพอวิ่งวิ่งวิ่งไปพวกกันก็บอกว่าเห้ที่เราวิ่งมาตั้งสิบรอบแล้วหัวหน้าก็ไม่อยู่เนาะเห็น ไ, ไหแล้วแค่นี้ก็พอแนละ้วใครจะไปรู้เราไอ้คนที่เป็นหัวหน้ามันไม่ได้เนาะ ถามทำไมคนอื่นไม่รู้แต่ เ, เรารู้อ่ะ <c> เ <oughs> นี่ยคนอย่างเงี้ยถ้าคนแบบนี้จะเรียนกรรมาฐานก็ไปได้อาจารย์ก็บอกว่าเอา้าคุณเอาไปสาธยายสี่เดือนตลอดนะสี่เดือนเนี่ยเว้นแต่ตอนกินอาหารถ่ายอุจจาระปัสส า, าวาะหรือทำกิจอย่างอื่นนอกนั้นยยีนสาธยายตั้งแต่สาธยา ทั้งอนุลมปฏิลมแรงก่างไล่ไปทำหนเดือนได้เป็นพระโสดาบันเลยลองดูบ้างไหมอย่างเราก็ถึงถึงอย่างเราเราท่านสมมติไม่ได้บรรลุก็ได้ด้ ด, ดีนะ4ีเดือนใช่ไหมเป็นอัธยาศัยเลยนะสาธยายทั้งแต่ละหมวดแต่ละหมวดเนี่ย นะท่านยังบอกให้สาธยายก่อนทีนี้วิธีสาธยายเนี่ยนะท่านก็ให้สาธยายเป็นหมวดหมวดไปหมวดแรกก็เรียกสัจจปัญจการมรฐานเนี่ยเช่นเกษาโรมานะขาธันตาตะโจเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยท่านสาธยายอย่างนี้นะบางทีนะบางแห่งในหลักสูตรที่เราเรียนกันเนี่ยใครเรียนมัชชิมาโทมาค่อยสายายเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังอ่หวันนะเนี่ยอนุโลมีแค่แค่ห้าคำเนี่ยแป๊เดียวเราก็จําได้เนาะเกษาโรมานะขาธันตาตะโจเก ซาโลมานะคะทันตาแตโจงเนี่ยผมขนเล็บปันหนังขนผมขนเล็บปันหนังให้สาธยายเนี่ยห้าวันแล้วต่อมาปฏิโลมพย้อนกลับขึ้นมาอีกแตโจทันตานขาโลมาเกสาก็คือหนังฟันเล็บขน ผ, ผ, มผมเนี่ยอีกห้าวันแล้วก็ทั้งอนุโลมและปฏิโลมอีกตัวเนี่ยอนุลมนั้นปฏิโลมอีกอีกห้าวันรวมเป็นสิห้าวั น, วนแล้วก็ไปหมวดอื่นอย่างเงี้ยหมวดละสิบห้าวันสิบห้าวัน <c oughs> ยังไม่เห็นใครทําได้สักทีนะโดยสูตรเนี่ยเขบอกอย่างนี้ไว้นะใช่ใจมันจะเห็นหมดเลย มันจะเห็นหมดเลยแต่ไม่มีคนทำไงโดยสูตรมีอยู่โดยหลกักการมีโวดยวิธีการมีอยู่แล้วประการต่อมาก็คือวัฏกาปัญจกะวัฏกาปัญจกะก็คือมีวัฏกังเนี่ยนะวัฏกังเนี่ยวัฏกังนี่ได้แก่อะไรมีไตนั่นเองวัฏกาศับเนี่แปลว่าไตนะแปลว่าไตไม่ใช่แปลว่าม้ามแต่ในตําราทั่วไปแปลว่าม้ามก็มีนะถ้ามีบาลีวัฏกังเนี่ยแปลว่าม้ามแล้วแปลว่าไตกันแน่เดี๋ยวดูดูบาลีเขามีข้อศัพท์เนี่ย คำวัด ก, กังแปลว่าใจมาจากคำว่าจะวิยะติยังวาจะยังวักกะอาเท อาเทเนบวกกัง e มาจากควาว่าวจีตับพันติวักังไตที่เขากล่าวถึงเชื่อวกักะงฉะนั้นในวกังปัญจกะก็คือมีไตเป็นที่หเนี่ยนะปัญจกะมีไตเป็นที่ห้าก็คือเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแล้วก็ปฏิโลมอีกบอกว่าวัาวกังอธิมินชังนารูมังสังตะโจทันตานคาโรมาเกศานี่ก็ไล่กลับขึ้นข้างบนอีกนะไตยเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บ ผลแล้วกับผมต่อจากนั้นก็ให้สาทยายปรับาาพาสาปัญจกะก็คือปอดเป็นที่ห้าเนี่ยหัทยังยะกนังกิโรมากังปียกั ง, ป ร, กงปรับพาสังหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามแล้วก็ปอดแล้วก็สาทยายปฏิโลมกลับมาปรับพาสังเปียกังกิโลมากังยะกนั ง, น ง, นงหัทยังแล้วก็วักกังอธิมินชังอธินหารุบางสังตจโจทันตานะคะโรมาเกศาก็ไล่กลับมาจนถึงผมเน่ยปอดม้ามพังผืดตับหัวใจไตเ ย, ยื่อในกระดูกกระดูก เอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมนั้นถ้าศาสยา ย, ย้อนกลับในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะยริงๆถ้าอย่างนั้นใช่ไหมเขาต้องอนุโลมปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมแล้วก็ยาวขึ้นเรื่อยยาวขึ้นเรื่อยปฏิโลมเลยเนะี่ยฉะนั้นใช้เวลาสเดือนเะหมาะสมแล้วต่อจากนั้นก็สาธยายมัธหลงข้าปัญจญกะอันนี้หมดห้ามันสมองเป็นที่ห้าอนีน้อันตังอันตะคุนา ง, ง, งุทรียังกรยสังมัธหลงทาง ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองแล้วก็สาธยาปฏิโลมเลยไปจนถึงผมเลยเดี๋ยวนี้ยมัทธลงกลางกะเรีังอุทรียงอันตะคุณังอันตังปัปพาสังเปียกลางโรกิโรมากังยากะนังคาทยังวะกังอัิมินชังอัธีนะฮารุมังสังตาโจทันตาเกสารมาเกศารมากมันสมองอาหารเก่าอาหารใหม่สายไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดม้ามบังผื่ตับหัวใจไตเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อ หนังปันเล็บขนแล้วกับผมต่อจากนั้นก็สาธยายในเมชกะเมชกานี่คือหมวดหกนะมันข้นเป็นที่หกนี่แหละติดตังเสมหังปวกโพลอยตังเสโทเมโทดีสเลดหนองน้ําเหลืองเลือดแล้วก็เหงื่อมันข้นแล้วสาธยายเป็นปฏิโดมย้อนกลับลิยาวมากเลยตรงเนี้ยเริ่มตั้งแต่เมโทเสโทโลอยตังปวโพเสมหังปิดตังมัทลุมคังกเรียงสังอุทรยางอันจับคุณังอันตังปับพาสังเปียกังธีโรมากังยะกนังหะทัยยังวะกัง อธิมินชังอทินหารุมังสังสะโจธันตานาคาโรมาเยสาเนี่กระจาไปตามลำดับเลยตั้งแต่มันข้นเงือเลือดน้ำเหลืองเสเลดดีมันสมองอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดแล้วก็มา้าพังผืดตับหัวใจไตเ ย, ยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนแล้วก็ผมหมดท้ายก็มีสาทยาย ม, มุตตะฉักาดน้ำมูกเป็นที่6กเนี่นะอัุวาสาเทโลสิงคาลิกาลสัสกามุตตังน้ำตามันเหลวน้ำลาย น้ำมูกแล้วก็ไขข้อมูดนี่น้ำปะสะัสสาวะเนี่ยนะแ้วพูดถึงน้ำปะสะัสสาวะนี่ยนะวันก่อนก็มียอมคนหนึ่งนะเป็นยอมผู้หญิงนะแจ้วเขาว่าที่เป็นโรคมะเร็งแจ้วมาเล่าอีกครับแจบอกว่าแกไปรักษ า, ายัางไงก็ไม่หายก็มีคนแนะนําแกก็เลยดื่มน้ะะําปัสสาวะด้วยนีย่ปกติดื่มน้ะะําปัสสาวะเนี่ยถามใครเคยดื่มไหมไม่เคยยังไงคือพระเนี่ยท่านดื่มกัเป็นปกตินะ ท่อเป็นยาในพระวินัยเนี่ยพระพุทธไงโดยง่ายการดื่มน้ําปัสสาวะไม่ใช่เรื่องแปลกนะเรื่องปกติของพระพระที่ท่านศึกษาพระทํามนั้นดื่ดดมไม่ลูกองครักษาโรคไงก็พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระวินัยนไงน้ําบูดเน่านอ้ําำูดเ น, าน่นเนาคือน้ําปัสสาวะมุดตังเนี่ยคือน้ําปัสสาวะนี่นี่พระพุดก็ทําเป็นยาทีนี้ยอมยอมคนเนี้ยแกกอ้โหอาการแย่แย่มากนี่แกก็ดื่มอดื่มดื่มไม่โอ้ดื่มแล้วอาการดีขึ้นแบบนี้อย่างหมอไม่รับแล้วเนี่ยนะ เมื่ออาการดีขึ้นนเข้าไม่ดื่มอย่างเดียวล้างหน้านี่ผมแกก็งอกขาววันนี้นะเดีย๋ยวนี้ดำนะานิทแล้วแกเท้าผมเนะียเอาสาผมเนะี่ยที่แกมาเล่าคนที่ฟังดูหน้าไม่น่นาบอกบุญนไว้แล้วเสามโมงแล้วพัก